บทที่ห้าสิบแปดดารินนั้นง่วนอยู่กับบริเวณอันเป็นตำแหน่งที่น่าจะเชื่อได้ว่าใช้พักนอนของฝ่ายนายจ้างอเมริกันของระพินและชั่วเมนานหลอนก็พบกับอะไรที่น่าสนใจมากที่สุดชนิดหนึ่งในกองเศษขยะที่ก ว, กว่าๆรวมกันใกล้ๆตำแหน่งนั้นหลอนหยิบขึ้นมาดูโดยเร็วด้วยการตกใจเทถาซึ่งตามหลังน้องสาเข้ามาติดๆเขมองเห็นอยู่ด้วยแต่ยังไม่เข้าใจอะไรนะักในสิ่งที่ดารินใช้นิ้วอันสวมถุงหนังกีบขึ้นมาดูอะไรน้อย เจไลซ์โซลูชันถุงน้ําเกลือสําเร็จรูปขนาดพันซีซีถุงน้ําเกลือดาวเรียนช้าๆเหยียดที่กองขยะอันกรบกบไว้อย่างไม่มีชิดนะแล้วก้มลงไปหยิบขึ้นมาอีกถุงหนึ่งมีสายพลาสติกพร้อมสีหน้าแววตาของหล่อนเต็มไปด้วยความตกใจกังวลพร้อมกันก็หันไปรอบๆตัวแล้วปลาตรงไปยังต้นไผ่ลำหนึ่งอันถูกตัดปักไว้กับพื้นดินบริเวณใกล้ที่พักนอนนั้นซึ่งบันนี้ยังทิ้งให้ปักค้างอยู่ในขณะนั้นเองชายยันก็กล้าเข้ามาสนทุอีกคนหนึ่ง แต่ยังไม่ถือเอ่ยถามอะไรนอกจากมองดูถุงน้ําเกลือที่ดารินทร์เชิฐาถือติดมืออยู่คนละถุงหญิงสาบัดนี้แทบจะลืมกลิ่นอันเน่าเหม็นรุนแรงแวดล้อมรอบตัวไปหมดแล้วหล่อนยืนพิจารณาอยู่ที่เสาไผ่ลําคณะเข่า ท, ท่อนแขนนั้นได้หลักทานอะไรคืบหน้าหรือในที่สุดเพื่อนชายารนทนอยู่ไม่ได้ก็ถามขึ้นเบาๆล่อออกมาจากผ้าเชตหน้าที่ชุบรันดีปิดอยู่แทนคําตอบใดๆ ด, ด, ดารินทดลองเอาถุงน้ําเกลืออันทํำด้วยพลาสิกสําเร็จรูปนั้นแฟนเข้ากับรอยแง่ของกิ่งไผ่ที่ตัดปักดินไว้ตาแหน่งนั้น แล้วปล่อยสาให้ห้อยลงมาขนาดความยาของสาจะท่อลงมาสู่พื้นดินตรงตำแหน่งที่ควรจะมีบุคคลนอนอยู่ตรงนั้นได้พอดีเชถาก็ดูเหมือนจะตามทันความคิดของน้องสาเอ่ยว่ามีใครมานอนให้น้ําเกลืออยู่ตรงนี้กำลังแน่นอนค่ะมีคนได้รับบาดเจ็บและมานอนให้น้ําเกลืออยู่ตรงนี้เพื่อช่วยชีวิตคงจะเป็นการเจ็บด้วยอุบัติเหตุและหนักมากทีเดียวจึงต้องให้น้ําเกลือช่วยและให้ติดต่อกันถึงสองถุงคุณพระช่วยหวังว่าคงไม่ใช่แม่คริสติน่าคนนั้นนะ เพืนใช้อุทานออกมาไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นใครและได้รับบาดเจ็บอย่างไรขนาดไหนบ้างแต่ที่รัพพินต้องหยุดพักอย่างกระทันหันวางแคมป์ลงที่นี่โดยไม่เดินต่อไป ท, ท, ทั้งที่ยังมีเวลาเหลือเฟือก็คงเพราะต้องช่วยชีวิตคนเจ็บอย่างเร่งด่วนนี่แหละน้ำเกลือสําเร็จรูปอันเป็นเวชภัณฑ์สําคัญนี้จะต้องมาจากการตราเตรียมอย่างรอบครอบของพวกอเมริกันและผู้รักษาจัดการก็คือผู้หญิงที่เป็นหมอประจําคณะคืออิสซาเบลหล่อนพูดโดยเร็ว เชิดายกมือขึ้นสูงและดีดโดยแรงอนุชากับนันอินผู้กำลังตรวจ ด, ดวยไปทางอื่นท่ามกลางซากช้างได้ยินเพราะมันเงียบหันความมาทันทีพี่ชายใหญ่ควักมือเรียกอดีตพรานชดกับคู่หูพรานเท่าของเขาจึงก้าวสุบสบเข้ามาพอถึงเชิดาที่ดูหลักฐานนั้นพร้อมทั้งอธิบายให้ฟังคร่าวๆอย่างเร่งด่วนอนุชาขมวดคิ้วทางนั้นก็ใช่แล้วครับนี่เป็นการตอบข้อสงสัยของเราว่าทําไมระพินจึงต้องมาหยุดพักอย่างกระทันหันตรงนี้ทันที่ออกเดินทางจากป่งน้ำร้อนมาได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น มีคนเจ็บหนักจากอุบัติเหตุซึ่งจะต้องช่วยชีวิตด่วนเป็นไปได้ไหมที่คุณคนนั้นจะเป็นคริสติน่าผู้ที่เราพบร่องรอยหลักฐานว่าสัตว์กับกระทิงตรงนโน้นชัยยันถามถ่ายยากเหลือเกินแต่ก็น่าสงสัยอยู่เหมือนกันเพราะหลักฐานแสดงว่าคริสตประจันหน้ากับกระทิงและมีการยิงป้องกันอย่างดุเดือดที่สุดรอยปลอกกระสุนแสดงว่ายิงรัวแบบฟลูออโตแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันอาจเป็นพวกลูกหาหรือคนอื่นๆก็ได้เหมือนกันและมิฉะนั้นก็ตัวระพินเองนั่นแหละ ละพินเหรอเป็นไปไม่ได้แน่เชียถาร้องเสียงสูงคนอย่างเขาจะมาพลาดท่าเสียทีอะไรกับไอ้กระทิงตัวนั้นหรือว่างลงอินประโยคหล่างหันไปถามนานอินพูดมามองอยู่บริเวณนั้นอย่างไม่สู้จะเข้าใจอะไรนะนานอินก็ไม่เชื่อว่ามีคนเจ็บมารักษาตัวตรงนี้คนคนนั้นจะเป็นนายละพินถ้าเจ็บเพราะจับสั่นก็เป็นอีกเรื่อ ง, งแต่เจ็บเพราะสัตว์ป่านี่ต้องไม่ใช่นายละพินแน่ทุกสิ่งทุกอย่างเต็มไปด้วยปัญหาที่ทุกคนจะต้องขบคิดกันด้วยความกังขาราคนประวัติใจ หลักฐานมันชี้ชัดอยู่เช่นนี้ว่ามีคนเจ็บประทานหันแน่นอนขอบวนเดินทางจึงต้องหยุดชงงะงักและช่วยเหลือกันอย่างเร่งด่วนมีหลักฐานตรวจสอบได้ไหมคะพี่กลางว่าขบวนทั้งหมดมาพักอยู่ที่นี่นานสักเท่าไหร่ดาลินถามพี่ชายกลางเร็วหรือมรุชากรมองไปรอบๆ อ, อีกครั้งเอามือขย้จมูกเขาไม่มีหน้าที่เพียงแค่นำทางแกะรอยฉะนั้นทุกคนยังกะเกณงให้เป็นนักสืบหาร่องรอยและสันนิษฐานด้วยและไอการจะสันนิษฐานในสิ่งที่ตนไม่ได้เห็นกับตานอกจากโดยหลักฐานทิ้งไว้ ห่างถึงเจ็ดแปดวันซ้ำยังมีธรรมชาติคือฝนตกลงมาชะอย่างหนักเป็นการกรอบร่องรอยายละเอียดอื่นๆไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทําได้ง่ายนะคนในกองขยะนั่นอีกนอกจากถุงน้ําเกลือสองถุงแล้วยังมีอีกกี่ถุงอยู่บ้างไม่มีแล้วค่ะมีอยู่แค่สองถุงเท่านั้นฉันไม่มีความรู้ทางแพทย์น้อยน่าจะรู้ดีที่สุดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นบอกมาซี่น้ําเกลือขนาดถุงละพัน ซ, ซีซีที่จะให้แก่คนเจ็บหนึ่งถุงกินเวลาถุงละเท่าไหร่จึงจะหมด ก็ประมาณห้าหรือหกชั่วโมงจึงจะหมดหนึ่งถุงค่ะการให้สงถุงก็แปลว่าคงจะต้องอยู่ติดต่อกันไปนั่นเองภายหลังจากถุงแรกหมดดารินบอกมาการโต้อตอบของคณะเป็นไปอย่างรวดเร็วฉับไวที่สุดทางนั้นก็แปลว่าคณะของราพินมาอยู่อยู่ตรงที่นี่ตั้งแต่ตอนบ่ายภายหลังปะทะกระทิงตัวนั้นต่อจากนั้นก็ช่วยเหลือคนเจ็บซึ่งเรายังไม่รู้แน่ว่าเป็นใครน้ําเกลือถูกให้สองถุงติดต่อกันน้อยบอกว่าถุงหนึ่งกินเวลาห้ากชั่วโมงสองถุงก็ สิบถึงสองชั่วโมงเพราะฉะนั้นคณะนี้ต้องหยุดและแลมคืนตรงนี้แน่นอนตามหลักฐานจากถุงน้ําเกลือช่วยคนเจ็บแล้วซากช้างพวกนั้นเชษฐาศวนทันทีเข้าใจว่าบุกโจมตีเข้ามาหลังจากพวกนั้นวางแคมป์แล้วแต่จะตอนกลางวันหรือกลางคืนไม่ทราบได้มีการยิงปะทะ ก, กันยังดุเดือดที่สุดเหมือนเหมือนที่มันเข้ามาโจมตีเราเมื่อที่ผ่านมานี่แหละสภาพเดียวกันไม่มีผิดเป็นการโจมตีระหว่างพวกนี้พัก โดยมีคนเจ็บอยู่ด้วยสิ่งที่เราไม่รู้ต่อไปก็คือในพวกเขามีใครได้รับอันตรายใดๆอีกบ้างนอกเหนือจากคนเจ็บที่นอนที่น้ําเกลืออยู่แต่ลักษณะของปลอกกระสุนทุกชนิดที่เกลื่อนไปหมดซากช้างจํานวนมากที่ตายและเนี่ละน่าก็น่าจะแปลว่าพวกเขาเตรียมรับมือกันได้อย่างกระทันหันการ อ, ออกเดินทางพระออกจากที่นี่คงเป็นวันรุ่งขึ้นเวลาไหนไม่ทราบอีกเหมือนกันแต่เชื่อว่าไปในวันรุ่งขึ้นแน่นอนเพราะคงจะไม่อยู่รอให้ซากช้างเน่าทรงกลิ่นรบกวนแน่ ก็แปลว่าไอช้างนรกผีลงเหล่านั้นเล่นงานพวกของเราพิน์มาก่อนแล้วพอเราตามมาก็เล่นเราเขาอีกเช่นกันชัยยันสรุปแน่นอนไม่มีปัญหาหลักฐานมัดชัดอนุชาชี้มือเปลียนสร้างที่ขึ้นอืดรอบเต็มตัวเต็มบริเวณไปหมดจะไปตรวจดูทางโน้นพบร่องรอยอะไรอีกบ้างไหมผู้ถามคือชัยยันมีอนุชาตอบง่ายมีหลักฐานว่าพรานพื้นเมืองของเราพินกับพวกลูกหะมีจุดพักนอนอยู่แห่งหนึ่งส่วนทางด้านนี้ เป็นกระโจมพักของนายจ้างและพบกองฟืนที่ก่อไว้ตรงน้ดอีกกองเหมือนกันนั่นเป็นลักษณะการนอนในป่าของระพินเพราะเขาจะแยกนอนต่างหากออกไปจากฝ่ายนจ้างเสมอเว้นจะมีการเข้ามาร่วมหาห ร, อรือร่วมกินอาหารบางมือ้อบางขณะสมัยที่เขาเดินกับพวกเราเขาก็าปฏิบัติเช่นนี้พวกลูกหาบนั้นก็จะถูกจัดเวญยามกระจัดกระจายกันออกไปล้อมวงที่พักในจ้างไว้เชิดถาสแสดงความเห็นตามอุปนิสัยและธรรมชาติของระพิน ตนคุ้นเคยมาก่อนดีแล้วพี่กลางช่วยนําไปดูตรงตําแหน่งที่พวกลูกหาบนอนกันอยู่สิคะดารินบอกอย่างร้อนใจลูกชาก็พยักหน้าเดินนําดุมดุมหลีกซ้ายหลีกซากช้างเน่าเหล่านั้นตรงเข้าไปทันทีทั้งหมดเดินตามไปติดๆพอถึงหญิงสาวก็พยายามกวาดสายตาดูไปรอบๆแล้วก็แต่ก็ทําได้ยากลําบากมากเนื่องจากแทบทุกแห่งมีซากช้างนอนตายทับอยู่ทั้งสิ้นแต่กระ น, นั้นก็ยังพอสังเกตเห็นร่องรอยของการนอนพัก ของพวกพรานพื้นเมืองอันจะน่าสันนิษฐานได้ว่าพระพินเองก็คงจะมานอนอยู่กับคนของเขาตรงตำแหน่งนั้นด้วยถ้าหากว่าเขาไม่ใช่ตัวบุคคลเคราะร้ายที่นอมรับน้ําเกลืออยู่อย่างตำแหน่งที่หล่อนคนพบทุกคนช่วยกันแยกตรวจมีรอยตัดไม้ไผ่ลายต้นซึ่งสันนิษฐานกันว่าจะต้องนํามาทําแค่นอนของคนเจ็บหรือแค่แบกหามไปรอยหักระเนนของไผ่เล็กๆรอบด้านซึ่งเกิดจากโขงช้างบุกตรงตำแหน่งกองไฟใหญ่ที่ฟืนดุนตๆมีรอย กินไฟและถูกพลาออกจากกันเมื่อจะละจากแคมป์ตรงนี้ไปชัยยันค้นพบข้อกับเศษกระดาษพลาสติกของยาประเภทแทบแบ็บเลตหรือยาเม็ดชิ้นหนึ่งใกล้ๆกับผนไมมส่งให้าดารินดูหญิงสาวรับมาพิจารณาโดยตัวอักษรอันเป็นตัวรหัสและอุทานออกมาไข้ามาเลเรียแต่เป็นตัวยาชนิดใหม่ลักษณะไม่มีขายในตลาดขายยาหมอตีทั่วๆไปแน่ใจหรือน้อย พี่ชายกับเพื่อนถามเป็นเสียงเดียวกันแน่ใจที่สุดค่ะเป็นยาชนิดที่ใช้ในหน่วยเดินป่าและหน่วยทหารอเมริกันระพินเองก็ไม่มีปัญญาที่จะหายาประเภทนี้ได้แน่แน่นอกจากพวกนั้นจะให้งั้นก็พอจะซอต่อพอได้แล้วเ ท, ทธาบอกอย่างโล่งอกขึ้นเล็กน้อยระหว่างที่มองย้อนไปยังลำภัยที่ใช้ปักแทนเสาน้าเกลือเสาน้ำเกลือฉูกเฉิญปักอยู่ตรงน้นใกล้แคมป์นายจ้าง แต่ตรงตำแหน่งที่พวกลูกหาบนอนซึ่งเราเชื่อว่ารพินคงจะมานอนอยู่ด้วยมีหลักฐานการใช้ยาแก้มาเรเลีย น, นั่นก็แสดงว่าคนที่นอนรับน้าเกลือตรงนู้นไม่ใช่รพินแน่นอนดิฉันั้นเขาจะมากินยาแก้ค่าอยู่ตรงนี้ได้ยังไงคนเจ็บจากอุบิเหต์ถึงกับต้องให้น้ําเกลือจึงไม่ควรเป็นรพินแต่รพินเองในตอนกลางคืนก็คงจะอาการจับสันขึ้นด้วยอย่างกระทันหันทุกคนเงียบกริบกันไปอีก ไอยออกมาจากที่นี่จะครับทนกลิ่นไม่ไหวเต็มทีแล้วเดี๋ยวได้เป็นลมสลบกันบ้างเท่านั้นในที่สุดอนุชาก็ชวนขึ้นทั้งหมดพระถอยออกมาจากบริเวณที่กราดเกลื่อนไปได้วยซากช้างนั้นทันทีโดยเลียกออกไปทางยะทางด่านซึ่งพอจะสังเกตได้ว่าคณะของกระพินเคลื่อนย้ายไปทางทิศใดซึ่งเคยินกับในชวนและลูกหาบทั้งหลายก็คงล่วงหน้าไปก่อนแล้วเชษฐา ย, ยกวิทยุขึ้นเรียกพอในชวนตอบรับมาเขาก็ถามว่าขณะนี้อยู่ที่ไหนในชวนจะได้ล่องรอยอะไรบ้างไหมตามขึ้นมา แนวด่านใหญ่ตรงนี้ครับนายใหญ่พวกผมอยู่ไม่ห่างนะแต่ยังได้กลิ่นซากเน่าอยู่พอทนได้พบรอยพวกของนายลพินล่วงหน้าไปก่อนแล้วทางด้านนี้มีรอยหาบแคร่ไปด้วยไม่รู้ใครเป็นอะไรถึงต้องหามกันรออยู่ตรงนั้นก่อนเราจะตามขึ้นไปเดี๋ยวนี้เชิดท้าสังและตบไล่น้องสาให้เดินล่วงหน้าไปทันทีแต่ดารินเมียการชันนะักครู่ครุ่นคิดหล่อนต้องการที่จะค้นหาความจริงให้ได้มากที่สุดเพราะสงสัยเกี่ยวกับเรื่องคนเจ็บที่ต้องให้น้ำเกลือ อันหลักฐานที่ทิ้งไว้แสดงว่าระวังให้น้ําเกลือ น, นั้นอยู่ในการดูแลอย่างใกล้ชิดของนายจ้างอเมริกันของเราพินเนื่องจากตําแหน่งน่านอนนะใกล้กับกระโจมพักมากที่สุดจึงดีรออยู่และตัดสินใจบอกว่า <ettes> พี่ใหญ่กับทุกคนล่วงหน้าไปก่อนเถคะน้อยขอลุงอินไว้เป็นเพื่อนคนเดียวจะขอเดินย้อนกลับไปยังตําแหน่งที่คริสยิงกระทินตัวนั้นอยู่สักหน่อยเชื่อว่าอาจมีหลักฐานอะไรที่ยังค้นหาไม่พบหลงเหลืออยู่บ้างพี่ชายใหญ่และคนอื่นๆไม่ว่าอะไร เพราะรู้มือดีอยู่ตามใจอย่าให้ช้านักหนาจะไปรออยู่ข้างหน้าเปิดวิทยุติดต่อไว้ด้วยว่าแล้วเชิฐาอนุชาและชา ย, ยันก็พระเดินล่วงหน้าตามหลังพวกลูกหาและขยินไปในทันทีคงปล่อยให้ดาลินและพรานเท่านานอินอยู่ที่เดิมตามลําพังสองคนปัตณิหล่อนมองไปรอบๆบริเวณนั้นเพิ่งจะสังเกตลักษณะภูมิประเทศที่มีร่องรอยซุ้มและกิ่งไม้ไัยหักยับเป็นแปรงรอบด้านไปหมดหลงเหลืออยู่ให้เห็นชัด แสดงให้เห็นถึงการบุกเข้าโจมจีของโขลงช้างและฉากการยิงต่อสู้ชุลมุนในระหว่างนั้นนานอินก็ยืนพิเคราะห์อยู่เช่นกันถามว่านายหญิงจะตรวจดูอะไรอีกพอค้นหาอะไรอีกสักสองสานาทีเถอะลุงพอทนกลิ่นไหวไหมสบายนายหญิงกลิ่นเน่ากลิ่นเหม็นนานอินเคยชินจแล้ ว, ว่าแต่นายหญิงเถอะฉันก็ทนได้ตอนนี้ชินแล้วตรวจนับดูแลอยังซากช้างทั้งหมดนี่มีกี่ตัวพวกนั้นยิงล้มไว้ตรงนี้ ราวสิบสองสิบสามตัวน้อยกว่าที่เรายิงเมื่อคืนซะอีกชายภูมิที่นี่ดีเป็นดงไผ่ตันทึบมีทางเข้าออกเป็นเส้นทางด่านแคบแคบเพียงไม่กี่ทางพวกมันบุกดานหน้าเข้ามาพ ร, ร้อมๆกันไม่ได้เลยทาให้ยิงสกัดง่ายและป่าหาออกไปก็แหลกยับเป็นทางไปรอบไปหมดตอนพวกมันแล่นเปิดหนีไปในหญิงจเจ้ายังไงเราไปที่กองขยะหลังบริเวณที่นอนของพวกนั้นอีกครั้งเถอะฉันคิดว่าน่าจะมีหลักฐานอะไรที่เราค้นไม่พบอยู่ในนั้นอีก พอจะช่วยให้ดาเหตุการณ์ได้เมื่อกี้นี้ยังหาไม่ละเอียดนกะหากิ่งไม้เข้าสักอันช่วยกันเขีย่ยค้นดุไปนายหญิงนานอินรับคาง่ายๆก้าวนํากลับไปตําแหน่งนั่นอีกครั้งดารินตามติดๆแกเอามีดที่เน็บหลังอยู่ตัดกิ่งไัยเล็กๆที่ให้เหลือสั้นแค่ศอกเศษสองอันส่งให้หล่อนอันหนึ่งแล้วก็เดินเข้ามาถึงบริเวณโคลนไผ่ที่คณะของระพินเคยพักอยู่ตําแหน่งเดียวกับที่หล่อนพบถุงน้ําเกลือกับเซกระป๋องเครื่องเรซชั่น ตลอดจนเศษวัสดุที่ใช้แล้วนานาชนิดกรบไว้ลวกๆด้วยเศษใบไม้ต่างช่วยกันสึดตัวลงนั่งใช้กิ่งไัยคุยเขี่ยกองนั้นอย่างระมัดระวังละเอียดทีท่วนที่สุดจารินพบเศษผ้ากอ๊อตสำลีที่ซับเลือดและปิดบาดแผลที่ถูกเปลี่ยนออกและทิ้งไว้ส่วนนันอินวยได้หลอดพลาสติกเล็กๆลักษณะเหมือนหลอดยาฉีดแต่สีและขนาดต่างกันไปเล็กน้อยส่งไปให้หล่อนดารินรับมาพิจารณาหล่อนรู้ทันทีว่าหลอดยาชนิดหนึ่งเป็นหลอดยาสลบ สำหรับฉีดเข้าเส้นเลือดอีกหลอดหนึ่งเป็นหลอดมอร์ฟินตะ ง, งับปวดและกล่อมประสาทมีการบาดเจ็บสาหัสจะแผลสดขึ้นจริงๆและมีการฉีดยาสลบก่อนจะเย็บแผลวันพึมทำกับตัวเองขณะที่พิจารณาดูหลักฐานที่ค้นพบใหม่นั้นแต่เราจะเดาได้ถูกยังไงนี้ว่าใครเคราะห้ายและถูกอะไรเข้านานอินได้ยินก็ตอบมาว่าวางใจเทนายหญิงคนเจ็บลายนี้ไม่ใช่หนายละพินแน่ๆ เพราะถ้าเป็นนายละพินก็เดินทางต่อไปไม่ได้อีกแล้วต้องหยุดชะ ง, งักกันหมดคนนําทางเจ็บหนักถึงขนาดนั้นพวกนั้นจะกล้าเดินกันต่อไปได้ยังไงนั้นอินาอาจเป็นพวกลูกหาหรือพวกฝรั่งนั่นแหละหญิงสาวใช้ความคิดนะนหน่ะพวกฝรั่งอันพวกนายจ้างโดนเข้าแบบนี้การเดินทางก็ต้องชะ ง, งักเหมือนกันอาจย้ายที่พักให้พ้นบริเวณช้างตายนี่ไปก่อนแล้วไปวางปางพักรักษาตัวอยู่ที่ไหนก็ได้ถ้าเป็นแบบนั้นการเดินทางก็ช้าลงและเราคงตามทันยนวันสวันนี้แน่แน่ ลุงว่าสาเหตุมาจากอะไรช้างบุกเข้ามาหรือว่าเกิดจากกระทิงตัวนั้นเชิทายเหตุการณ์ไม่ออกเลยครูพรานเอามือลูบหัวแล้วก็นึกไม่ออกเช่นกันจึงไม่พูดอะไรดารินลุกขึ้นยืนเก็บรวบรวมวัสดุอันเป็นหลักฐานในการเยียวยานั้นค่อยๆบรรจงใส่ลงในถุงพลาสติกเล็กๆที่เก็บขึ้นมาได้แล้วมัดปากถุงไว้ด้วยยางจากนั้นก็สกิดลายหนานินให้ยืนขึ้นไปเราลองย้อนกลับไปสำํำรวจตรงตําแหน่งที่มีรอยยิงกระทิงครั้งแรก และอร่อยที่แมมคนนั้นล้มกลิ้งอยู่ตรงนั้นอีกทีสิเชื่อเบ้าต้องถ้าตรวจละเอียดคงจะพบอะไรอีกแน่นอนลุงช่วยฉันค้นหาด้วยแล้วทั้งสองก็เดินย้อนกลับเส้นทางเกา่าอันอยู่ไม่ห่างนะโดยมุ่งไปยังตำแหน่งที่เชื่อว่าคริสติน่าล้มกลิ้งอยู่เพราะสรอยข้อมือของแม่มซาวขาดตกทิ้งให้พบได้ที่นั่นนานอินออกนําหน้าล่วงไปก่อนทันทีแกไม่ห่วงด้านหลังแล้วเนื่องจากเห็นชัดว่ามีช้างใหญ่เลยเจ้าด่วนทําหน้าที่เป็นองครักษ์นายหญิงอยู่ด้วยทั้งตัว แตอย่างไรเสียมันก็คงจะดูแลล่าสกุลซาไปด้วยสัมผัสแห่งพันธุ์ภัยอันตรายต่างๆอันเหนือกว่ามนุษย์มากนะเพราะธรรมชาติของมันเป็นสัตว์ป่าอยู่แล้วจารินนั้นยังไม่ออกเดินจ้องมองไปยังคอของเจ้าด้วนแล้วก็ยิ้มออกมาได้อีกครั้งเมื่อเห็นว่าพระเครื่องรางของหล่อนที่ผูกไว้กับคอของมันยังปกติดีอยู่เหมือนเดิมสายเชือกที่ผูกไว้ไม่ขาดหายบริเวณแผลที่ห่อพันองค์พระเครื่องไว้ก็เรียบร้อยแน่นหนาดี แสดงว่ามันก็คงรู้ว่านั่นเป็นสิ่งที่นายหญิงสวมคล้องไว้ให้จึงไม่ได้พยายามดึงทิ้งออกอย่าให้สิ่งนั้นหลุดขาดออกจากคอเป็นอันขาดทีเดียวนะด้วนนั่นแหละจะเป็นสิ่งคุ้มกันตัวเธอได้อย่างดีที่สุดเจ้าด้วนไม่ตอบเพราะพูดภาษาคนไม่เป็นดาวรินพยักหน้าร้องบอกให้ตามมาแล้วหล่อนก็หมุนตัวกลับแต่แล้วก็ต้องชะงักมวงของเจ้าด้วนยื่นมาลัดเอวหล่อนไว้เบาๆทาให้หญิงสาวชะงัก ไม่อาจเดินต่อไปได้แล้วก็รู้สึกเข้าใจในอาการทันทีเพราะช้างใหญ่ค่อยๆย่อเข่าหน้าทั้งสองชุดกายหมอบลงอาการของมันก็คือต้องการให้หญิงสาวขี่คอมันไปไม่ว่าหล่อนจะร้องบอกมันเช่นไรว่าหล่อนต้องการจะเดินไปเองเจ้าด้วนก็ยังไม่คลายงวงรัดอยู่เช่นนั้นเอาตกลงหล่อนยอมจํานนพร้อมกับหัวเราะเบาเบแต่บอกก่อนนะฉันจะขึ้นคอเธอไปจนถึงพวกเราที่รออยู่เท่านั้นพอถึงพวกนั้นแล้วจะมาให้ฉันนั่งบนคอเธอแบบนี้ต่อไปไม่ไหว พร้อมกับกล่าวหลอนจบมือขึ้นไหว้ขอขามาหลวงพ่อทวดที่แขวนติดคอเจ้าด้วนอยู่และนึกอธิษฐานขามาพญาโคตรสารที่ยอมตัวลงปเป็นพาหนะให้แกหลอนด้วยจากนั้นก็ค่อยปีนเหยียบขาหน้าและไต่ขึ้นไปนั่งคล่อมอยู่บนคอแบบควานช้างพอรู้สึกว่านายสาวขึ้นไปนั่งทรงตัวได้มั่นคงเรียบร้อยแล้วเจ้าด้วนก็ทรงกายขึ้นยืนอย่างนิ่มนวลที่สุดอึดใจเดียวร่างของดาวดินก็พงาดลอยขึ้นเหนือป่ารอบด้านทั้งมวล เรากับนางพยาไพรนี่เป็นครั้งที่สองแล้วที่หล่อนขึ้นขอเจ้าด้วนทางป่าซึ่งถึงแม้รพินจะไม่ได้เลี้ยงไว้ก็เปรียบคล้ายๆกับช้างของเขาเองเช่นกันเนื่องจากเขาสั่งไม่ให้พวกชาวป่าคนใดทำอันตรายมันมาก่อนเลยและมันก็ไม่เคยทำร้ายใครถึงตายนอกจากอารวาดเล่นบางดลิดขนองมันจะหยอกๆเท่านั้นในอดีตที่แล้วมากับการที่ชอบ้ามาหักพืชไร่กินทาความเสียหายให้แก่การเพราะปลูกงานทีปีหน ก็ไม่ได้ทําให้ชาวป่าชาวเขาต้องเดือดร้อนมากนะยังไม่กี่ก้าวเท่านั้นที่มันยา่างออกไปอย่างเงียบกริบเบาเหมือนมดเดินเพียงแต่บางคณะหนาทางแคบร่างกายใหญ่ตัวอาจจะกระทบกับกิ่งไายทาให้บังเกิดเสียงขึ้นบ้างเจ้าดวนผู้มีดาลินอยู่บนเขาก็เดินตามมาทันนานอินผู้ใช้ฝีเท้าอยู่อย่างเต็มที่เพื่อจะเล่งให้ไปถึงคณะพักซึ่งกําลังรออยู่นานอินนั้นหันกลับมามองอีกครั้งหนึ่งแล้วเมื่อตอนที่ได้ยินเสียงดาลินร้องเองอะ ขณะที่เจ้าด้วนพยายามจะเอาขึ้นบนคอของมันให้ได้และหยุดยืนดูอยู่ก็เห็นหล่อนยอมขึ้นคอช้างใหญ่ตัวนั้นเขาก็ออกเดินต่อเดยไม่สนใจอะไรอีกเพราะรู้ในความสัมพันธ์ทางจิตระหว่างมนุษย์สาวน้อยกับพญาคาชสารตัวนั้นดีอยู่แล้วพอมันก้าวมาทันแกแทนที่จะเดินตามหลังเจ้าด้วนกับใช้ม้วงผลักดุลหลังหนานอินเบาๆจนแกเซหัวขมำไปเบื้องหน้าแทบจะหกล้ม hey, เฮ้ยไอเวรด้วนเจือผลักกูทําไมเดยวร้องด่าขล่มถมเถ ด้วนไม่ฟังเสียงเดินตามเข้ามาอีกแล้วก็ใช้งวงดุนหลังหนานอินอยู่เช่นนั้นการของมันเหมือนจะบอกทํานองว่าตาแก่นี่เดินช้าอยู่ได้ให้เร่งเร่งเดินเข้าดาดินหัวเราะล่าน้อกมาได้เป็นครั้งแรกร่อนขบขันในความขี้เล่นได้แสนรู้ของมันเอามือตบลงไปคออันจากหนาะบนศีรษะนั่นร้องบอกว่าด้วนอย่าไปผักลงอินแกอย่างนั้นสิเดินช้าๆตามหลังแกไปก็ได้แล้วกันไปผักคนแก่อย่างนั้นได้เรยหนานอินสะบดอุบอิบอยู่ในลําคอเปียงหลบ เข้าข้างทางด่านแล้วยืนเท้าเอวพูดยังเดือดๆว่าไปไอ้เวนมึงเดินล่วงหน้าไปไม่ต้องมาดุนมาผักครูอยู่อย่างนี้หรอกขามึงยาวกว่าคูตั้งสิบเท่าจะพัดเตะใชเลยไอ้นี่เจ้าด้ ว, ดวนยืนหันลีหันขวางทําท่าเหมือนจะเอาตัวแกเดินนํามันข้างหน้าให้ได้แต่พอนานอินตวาดซ้ํามาอีกครั้งก็เดินไปตามเส้นทางด่านนั้นเฉียดแกไปรานครูพู่เท้าเตะปาบเขาที่ขาหลังของมันขณะที่มันเดินเฉียดผ่านก็เตะสูงได้มากที่สุดก็เพียงแค่เหนือ พอเท้ามันเล็กน้อยเท่านั้นนี่เนี่ยไอ้เปรเตะเสตีเธอวะเจ้าด้วันก็ยอกเชื่อมมาหลายพอถูก น, นั้นอินเตะมันก็เหวี่ยงขาหลังดีดไปข้างหลังมันจะเตะตอบมาบ้างโชคดีที่นานอินรู้ทันโดดลบออกงอกทิศทางเสียก่อนพอเท้าด้านหลังของมันจึงเฉียด ต, ตัวแกไปอย่างบุดวิดซึ่งถ้าถูกเข้าหนานอินก็คงลอยทั้งตัวแน่เสียงนานอินด่าพ่อร่อ แ, แม่คลมำและหยิบก้อนหินขว้างตามหลังมันมาจึงเจะช้างใหญ่ไม่สะเทือนเลยดาลินหัวเลาะงอหายหล่นแทบจะลืมความทุกข์เศร้ากังวล ที่ฝังกลุ่นอยู่ในใจตลอดเวลาลงได้ชั่วขณะพระอารมณ์ขันนิสัยขี้เล่นของเจ้าช้างป่าแสนรู้ลุงเขาห้ามด่าช้างกันนะมันเป็นสัตว์แสนรู้หนอนหันมาตะโกนบอกปนหัวเราะในขณะที่นานอินทูกำปั้นล่ะใครไม่กล้าดา่านานอินนี่แหละจะ ด, ดา่ามันยิ่งแสนรู้ยิ่งดีจะได้รู้ว่านานอินดามันไอเกเลหางกุดไม่คิดซะหน่อยเดียวว่ามึงมาสวามิภักดิ์นายหญิงแล้วก็เป็นช้างของนายละพินแล้วก็ ก็จะตอกหน้าจะให้จำเบ้าขี้แตกไปเลยมึงนะ่อย่างมากก็อายุรุ่นลูกกูเท่านั้นถะลึ่งผิดช้างเขาทั่วไปไอ้นี่เจ้าดว้วนเดินเนิบทำหูทวนลมเฉยเหมือนจะไม่ได้ยินนานอินที่เอตโลโปโกเกแกมาแต่มันก็ทอดฝีเท้าลงเล็กน้อยเหมือนกันท้ายจะให้นานอินเดินตามมาได้ทันโดยไม่ทิ้งทางแต่เดินตามมันไปพลางสบดดาไปพรางบนคอช้างดาินปดวิทยุมือถือขึ้นมากดคีย์พูด เรียกทุกคนน้อยกับลุงอินกําลังจะเข้าไปสมทบแล้วนะคะทุกคนโปรดสังเกตให้ดีเพราะเจ้าด้วนเข้าไปด้วยน้อยนั่งอยู่บนคอมันลุงอินตามมาข้างหลังน้อยนั่นขึ้นบนคอเจ้าด้วนอีกแล้วเหรออย่างพี่ชายใหญ่ถามลั่นมามันไม่ยอมให้น้อยเดินค่ะจะเอาน้อยขึ้นคอให้ได้เลยต้องตามใจมันไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องห่วงด้วนเดินได้นิ่มมากระวังมันจะพามุดลอดกิ่งไม้ตัวเองชนเอากิ่งไม้เหหล่นลงมาคอหักตายนะ นุชาร้องบอกอีกคนจากวิทยุรับส่งรับรองน้อยจะระวังตัวให้ดีที่สุดผ่านบริเวณอันเป็นทิศตั้งแค้มของละพินซึ่งเกลื่อนไปด้วยซากช้างอีกครั้งท่ามกลางกลิ่นน่าตรลเจ้าด้วนหยุดยืนเบี่ยงตัวขวางทางด่านไว้ชู ง, งวงขึ้นสูงและมีอาการลีลออยู่เช่นนั้นไม่ยอมเดินไปเบื้องหน้าดารินร้องบอกให้มันเดินต่อไปเช่ไนไรมันก็ยังไม่ยอมเดินต่อพงหมุนหันหลีหันขวานันอินพูดตามมันเบื้องหลังใช้คอเล็กๆกวางตะโกนเฮ้ย <"He i, S 2> ไปสิไอ้ด้วน หยุดหาอะไรเหม็นซาพวกเองจะตายโหงไปแล้วนางป่าแสนรู้ยังไม่ยอมไปส่งเสียงล่องออกมาแว้บหนึ่งทห า, านอินเดียนถึงเลี้ยวภัยเข้ามาถึงมันก็ออกก้าวตัดทางเข้าบริเวณที่โลกมันเป็นตำแหน่งห่างจากรอยที่ถึงกระโจมของนายจ้างอเมริกันประมาณ30มสิบหลาลึกเข้าไปเบื้องหลังมัอนมิเจตนาจะนําไปยังที่ใดสักแห่งหนึ่งดารินกระชักฟูไว้แต่มันไม่สนใจคงเดินนําไปเป็นปกติงานอินก้าวตามมันมาติด ครู่เดียวเท่านั้นมันก็มาถึงบริเวณปราดแห่งหนึ่งทั้งดารินและหนานอินพอเห็นเขาก็เบกิกตามองอย่างแปลกใจและสะดุดใจยิ่งนายหญิงพื้นที่ตรงนี้มีรอยขุดและมีรอยกรบไว่ก็ร้องออกมาพร้อมทั้งกระโดดเข้าไปดูเดินวนดูรอบๆบริเวณนั้นอย่างพิณิพิจารณาดารินจ้องเขม็งเจ้าด้วนองชูงวงอยู่เช่นนั้นเป่าลมพูดแล้วใช้งาแทงลงตรงบริเวณที่กรบดินพูลสูงเหนือกว่าพื้นทั่วๆไปขึ้นมาเล็กน้อยนั้นพร้อมทั้งงัดขึ้นเบาๆเหมือนจะบอกอะไร ดินบริเวณที่งาทิ่มลงไปกระจุยขึ้นทั้งกระบี่ลอยพวกนั้นขุดเอาไว้แน่ๆเ อ, เอถ้าทางมันหลุมฝังศพแฮนานอินมร้องบอกต่อมาเร็วปือพร้อมกับมองไปรอบๆ บ, บริเวณซึ่งพบทั้งก้นบุหรี่และก้นซิกาทิ้งอยู่สามสี่ก้นเหมืนพวกวิทยุทันทีพบหลักฐานมาอีกแห่งหนึ่งแล้วริมทางด่านด้านหลังที่พักของรพินนี่เองสงสัยว่ามีใครในคณะตายแน่ค่ะเพราะลักษณะเป็นหลุมศพที่ฝังไว้เหลืออยู่ตรงไหน พ, พบได้ยังไงเสียงพี่ชายร้องถามมาเร็วปรือ ที่ด้านหลังที่พักไม่ห่างออกไปนักนี่แหละค่ะพวกเราไม่ได้พบกันในครั้งแรกเพราะแยกห่างจากบริเวณออกมาเล็กน้อยมีรอยเท้าเกลื่อนไปหมดแสดงว่าทั้งคณะมาทําพิธีฝังศพกันตรงนี้พบทั้งก้นซิกาและก้นบุรี่ทิ้งอยู่รอบๆอบมีการตายเกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะในคณะของเราพินอย่างแต่เราไม่รู้เท่านั้นว่าเป็นใครเจ้าด้วนพามาให้เห็นลักษณะของหลุมเป็นอย่างไรรวมทั้งการกรบคราวนี้เป็นเสียงของอดีตครานชด รู้สึกว่าจะเป็นการฝังอย่างธรรมดานี่แหละค่ะและคงลึกมากแล้วก็ไม่มีสัญญาณบอกอะไรทั้งสิ้นว่าเป็นศพใครไม่มีไม้หลักหรือว่ากังเขนปักแน่ใจหรือว่าเป็นหลุมศพแน่ใจที่สุดเลยค่ะว่ายุ่งละสิที่แปลว่ามีการตายเกิดขึ้นด้วยหรือเอทางด้านนี้ก็เห็นล่องรอยว่าคนเจ็บถูกใสาหามถูกใส่แคร่หามไปนี่นะชา ย, ยันโผล่เสียงออกมาจากลำโพงบ้างทางนู้นคงเต็มไปได้วยความงโศงและตจนกเท่นกัน น้อยกระเดาอะไม่ถูกเหมือนกันคงมีทั้งคนเจ็บที่ต้องรักษาและคนตายนั่นแหละคนเจ็บพอจะสันนิษฐานได้แน่นอนแล้วว่าเจ็บเพราะกระทิงแต่คนตายเราไม่แน่ใจว่าตายขณะที่ช้างบุกหรืออะไรแต่รอยที่ฝังไว้กะดูว่าเป็นเวลาเดียวกับที่เรพินมาพักและประสบเหตุการณ์ร้ายนี่ที่นี่แน่นอนพี่ใหญ่พี่กลางและชายยันจะมาดูไหมคะเสียงฝ่ายโนนเงียบไปครู่แล้วเชิดาก็บอกมาว่ารึกษาลุงอินดูซวิว่าหลุมศพนั้นควรจะเป็นหุมศพของใครการพบรอยฝังศพทําให้เรารู้แน่นอนแล้วว่า มีการตายเกิดขึ้นแน่สิ่งแวดล้องจากหลักฐานที่เห็นมันก็ล้วนเป็นเรื่องร้ายที่คณะของรพินพเผชิญแต่เราต้องการแน่ใจอยู่อย่างเดียวเท่านั้นว่าเป็นศพของอเมริกันคนใดคนหนึ่งหรือไม่สาหรับรปินนั้นยังไม่ต้องห่วงไม่ใช่เขาแน่เพราะทางด้านนี้ขยินค้นพบร่องรอยการนําทางของรพินมีหลักฐานได้แน่ชัดแล้วว่าคณะทั้งหมดที่เคลื่อนย้ายจากตําแหน่งนั้นยังมีรพินเป็นผู้นําอยู่ขยินจํารอยหักเกียงไม้ของรพินได้ และลูกจาก็พบพื้นรองเท้าที่ย่างไปตรงพื้นที่อันอ่อนแฉะบางตอนซึ่งลักษณะของพื้นรองเท้าและขนาดของมันเป็นของระพินแน่นอนและจะเป็นเสียงสั่งการจากวิทยุมือถือแต่ดารินก็เปิดบอลล่มจะดังลั่นและหนานอินก็ได้ยินตลอดเงยหน้าบอกหญิงสาวมาว่าบอกพวกเจ้านายทั้งสามคนไป็นเธอนายหญิงนี่ไม่ใช่หลุมศพของนายระพินหรือพวกฝรังแน่นอนอาจเป็นพวกลูกหาก พวกกระเรียงที่เราพบตามยิงกระทิงมานั่นแหละจะต้องมีทั้งคนเจ็บและคนตายคนเจ็บก็ถูกรักษาคนตายก็ถูกฝังท่านนายและพิมตายบริเวณนี้พวกนั้นก็หมดปัญญาที่จะเดินต่อไปอีกแล้วนอกจากกลับแล้วถ้าเป็นพวกฝรัง่งก็น่าจะมีหลักปักอะไรไว้บ้างส่วนถ้าเราจะขุดศพขึ้นมาดูมันก็เสียเวลาเปล่าดารินวิทยุบอกไปตามความเห็นของครูพรานทันทีเสียงเชิดาสั่งการต่อมาว่า ทางนั้นก็ถอยเธอรีบมาสมทบกับพวกเราเร็วเข้าบุกตามไปข้างหน้าแล้วรู้เองล่าสกุลสาโบกมือกับนานอินทําสัญญาณให้พระพร้อมกับตบที่โคนใบหูของเจ้าด้วนเป็นความหมายให้มันถอยออกจากที่นั่นชั่วไม่นานในการไต่ทางขึ้นไปโดยด่านสายใหญ่ทั้งหล่อนและนานอินก็พบพรรคพวกรอคอยเป็นกลุ่มใหญ่แล้วบริเวณป่าเถาวัลย์ขนาดใหญ่ติดต่อกับดงทึบโดยพ้นบริเวณของป่าพายออกมาตำแหน่งนี้กลิ่นเน่าเหลืออยู่เพียงจางๆเท่านั้น เพราะห่างบริเวณนั้นมอพอสมควรและอยู่เหนือลมและทุกคนกําลังรอคอยการมาของหลอนและนานอินอย่างกระซับกระสายและเรอกั็จะรู้พอเข้ามาถึงตําแหน่งที่คณะพักรอคอยกันอยู่ก่อนแล้วเจ้าด้วนก็คู้เข่าหน้าลงอย่างแช่อมช้าในลักษณะหมอเพื่อให้ดารินลงหลอนก็โดดลงจากคอมันทันทีลงเข้าไปสมทบกับคณะพักพวกทันทีนานอินเข้าไปถึงก่อนแล้วทรงหลักฐานต่างๆที่ดารินค้นพบไม่ว่าจะพวกหลอดยาสลบยาระงับประสาท ้ากกสปิดแผลซึ่งรวมอยู่ในถุงพลาสติกกับปืนแก๊ปสไสไถใส่เมตตะกัวเขาควายบรรจุดินปืนสิ่งเหล่านี้บัดนี้ถูกแจกจ่ายอยู่ในมือและการพิจารณาของเชษฐาอนุชาและชัยยันพร้อมทั้งการบอกเล่าโดยละเอียดเฉพาะปืนแก๊ปดินปืนเมตตะกัวและเขาควายที่บรรจุดินปืนพยินเข้ามาร่วมพิจารณาอีกคนแล้วก็ยืนยันว่า เป็นของพวกกะเลียงแน่นอนพยายามลำดับภาพของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นจากหลักฐานและภูมิประเทศที่เราค้นพบให้ดีทะคสดและน่าจะถ่ายอะไรได้บ้างอย่างน้อยก็แปดสิบเปอร์เซ็นของเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในวันนั้นดารินบอกกับทุกคนที่ค่อยๆหยิบแต่ละอย่างเหล่านั้นขึ้นมาดูทีละชิ้นเราพบซากกระทิ่นล้มก่อนต่อมาก็พบรอยที่สงสัยว่าลิสติน่ายิงกระถิงตัวนั้นคว่าไป เหตุการณ์ตอนนั้นจะต้องไม่มีโครงทางเข้ามายุ่งก่อนนิฉะนั้นพวกนั้นจะมีเวลาแล่เนื้อกระทิงได้อย่างไรถัดมาอีกก่อนจะถึงที่ว่าที่วางแคมป์เราก็พบว่ามีกะเรี่ยงตามยิงกระทิงตัวนั้นมาก่อนและมีหลักฐานของการบาดเจ็บข้าวของอันปืนเป็นปืนแก๊ปและกระสุนเหล่านี้ตกหล่นอยู่หลอดยาฉีดเพื่อให้สลบเป็นยาชนิดฉีดเข้าเส้นการให้น้ําเกลือช่วยคนเจ็บภายหลังเย็บบาดแผลเสร็จ จากช้างล้มอยู่มากมายทั่วบริเวณอันหมายถึงการบุกเข้ามาและเกิดการยิงปะทะต่อมาอีกก็พบหลุมฝังศพและพวกนั้นก็ออกเดินทางต่อน่าคิดเราแกะรอยอย่างเดียวไม่ได้เสียแล้วต้องทำตัวเป็นนักสืบด้วยเชษฐาพึมพัมออกมาดวงตาหลีลงเหตุการณ์มันก็น่าจะเป็นอย่างที่น้อยสันนิษฐานนั่นแหละเพียงแต่ว่าเรายังเดาไม่ถูกว่าคนตายเป็นใครถ้าหากมีวิทยุ บ, บอกมาเมื่อกี้นี้ว่าพบหลุมฝังศพแน่นอน และพี่ชายใหญ่ของคณะก็ที่ไปรอบๆตัวรวมทั้งพื้นดินด้วยดูป่าบริเวณนี้ทั้งหมดจะเห็นว่ารอยเท้าช้างเต็มไปหมดแทบทุกตารางนิ้วป่าหักยับเป็นแปลงอาณาเขตกว้างไกลรอบด้านไปหมดแสดงว่าครูงช้างจํานวนร้อยวิ่งกันป่วนไปหมดมันอาจพยายามบุกเ ข, ข้าโจมทีที่ตั้งแคมป์แต่ก็ถูกยิงล้มระเนระนาดลงไปเสียก่อนที่เราอย่างที่เราเห็นพวกที่เหลือก็ถอยไป แต่มันมากันเป็นจำนวนมากจริงๆไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่ที่เราเห็นรอยตรงที่พวกวังแคมกันอยู่หรอกและนี่เป็นรอยเดินทางต่อของพวกนั้นซึ่งไปกันทั้งขบวนใหญ่แบบกองคารวาลทีเดียวกล่าวยังไม่จบประโยคดีเชษฐาก็จูงมือน้องสาวไปยังริมพงรกใกล้ทางด่านอันมีรอยกิ่งไม้เล็กๆถูกหักให้งอพับลงไว้ชี้ให้ดูน้อยเธอเองก็เดินป่าตามหลังและพินมาเส้นนักตอนนักและจำรอยหักกิ่งไม้แบบนี้ได้ไหม ดารินหัวใจเต้นแรงเข้าไปสํารวจดูโดยใกล้แล้วเม้มปากพยักหน้ารับว่าค่ะน้อยจําได้แน่นอนที่เป็นรอยหกกักจริงไม้ตามนิสัยเอ็นเคยชินของระพินหรือมิฉะนั้นก็เป็นการหักแบบสาสตร์เพื่อข่มปาเบิกปาของเขาที่ไม่เหมือนพรานคนใดทั้งสิน้นถ้าเช่นนั้นเราก็คิวดีได้ว่าศพที่ถูกฝังอยู่นั่นนะต้องไม่ใช่ระพินแน่นอนใช่ไหมน้องสาวนิ่งปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างมันจะคลี่คลายชัดเจนออกไป เมื่อเราไปถึงหมู่บ้านตะเคียนทองซึ่งอยู่ห่างจากที่นี่ออกไปไม่มากนะักเพราะเราจะสอบถามจากพวกตะเคียนทองได้ทิศทางของระพินบ่ายหน้าไปที่นั่นอนุชาให้ความเห็นม嘛พร้อมกับยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูกล่าวต่อมาโดยเร็วว่าเที่ยงกว่าเกือบบ่ายแล้วรีบออกจากที่นี่พอให้พ้นกลิ่นไอ้ซากช้างเน่าพวกนี้และหยุดพักกินอาหารกลางวันกันก่อนเถอะเราควรจะถึงตะเคียนทองภายในเวลาไม่เกิน4ี่โมงเย็นวันนี้รอยเดินของพวกระพินชัดเหลือเกิน อย่างง่ายๆเชิดถาตะโกนบอกพวกลูกหาบที่พักรอกันอยู่ให้เคลื่อนที่ทันทีทั้งหมดตัดเข้าดงทึบของป่าไม้เบญจพันโดยไล่ไปตามรอยที่คณะของระพินร่วงหน้าไปก่อนแล้วชนิดไม่ยอมเสียเวลาชักช้าอยู่อีกโดยอนุชา น, นําลี้วไปเบื้องหน้าเช่นเคยเดี๋ยวนี้ไม่มีใครมามัวสนใจหรือคอยกังวลกับเจ้าด้วนอีกแล้วจะเห็นมันหรือไม่เห็นไม่สําคัญแต่ที่เชื่อแน่ๆก็คือไม่ช้าไม่นานณบริเวณใดบริเวณหนึ่งมันจะต้องโผล่ออกมาให้เห็นอยู่เป็นระยะระยะไปนั่นแหละ แสดงว่าติดตามคณะเดินทางของดารินไปทุกระยะอาจล่วงไปเบื้องหน้าหรืออาจตามมาเบื้องหลังเพราะพอคณะเริ่มออกเดินดารินเหลียวมาดูหลังเห็นมันหักยอดพายอ่อนๆมาใส่ปากยืนเคี้ยวกินเฉยอยู่ที่เก่าทำอาการเหมือนจะไม่สนใจกับอะไรทั้งสิน้นประมาณครึ่งชั่วโมงก็พ้นจากดงนั้นเห็นทุ่งหญ้าคาขวางดักอยู่เบื้องหน้าพักพ้นกลิ่นไอเน่าเหม็นออกมาอย่างเด็ดขาด เพราะห่างมาพอสมควรแล้วอนุชาสั่งหยุดพักกินอาหารกลงางวันกันเมื่อเวลาเกือบบ่ายสองโมงเป็นการกินอย่างเร่งด่วนเพระทางความหิวจากเครื่องกระป๋องน้อยใจไม่ดีเลยที่พบหลักฐานว่าเพียงแค่ช่วงระยะการเดินทางต้นๆของรถพินเท่านั้นคณะของเขาก็เผชิญกับเหตุร้ายจนถึงกับมีการตายเกิดขึ้นแล้วดารินเอ่ยขึ้นแผวเบาเหมือนรำพึงขณะที่ใช้ซ่อมจิ้มเนื้อกระป๋องกินอย่างไม่รู้สึกในรสชาติใดๆทั้งสิ้น ทุกคนนั่งรวมกลุ่มกันอยู่บนเนินก่อนจะลงสู่ป่าญ้าคาอันแลเห็นดิบเลี้วไปยังดงที่ขวางอยู่เบื้องหน้าก็แล้วพวกเราเองละ่ะไม่ได้เจอเขาอย่างจังเบอร์แทบจะเอาชีวิตไม่รอดกันหรอกลุ้ยจากเหตุการณ์เมื่อคืนชา ย, ยันพูดมายัางปลอบใจถ้าเธอจะห่วงระพินมีเหตุผลที่ให้ห่วงอยู่ข้อเดียวคือโรคประจำตัวของเา้านอกเหนือจากนั้นไม่ต้องห่วงอย่างที่นายกลางบอกนั่นแหละถึงตะเคียนทองเมื่อไหร่เราจะได้รายละเอียดจากพวกนั้นแน่นอน กะคำนวณกันแล้วระหว่างการเดินทางของฝ่ายระพินกับฝ่ายเราระพินเสียเวลามากกว่าและเราทำเวลาได้เร็วกว่าถึงจะล่วงหน้าไปก่อนเจ็ดแปดวันเราก็จะไล่หลังกระชั้นชิดเข้าไปเชื่อว่าตามทันแน่อย่างช้าไม่เกินสี่ห้าวันนี่แหละเว้นแต่จะมีอุปสรรคอะไรที่เราคาดไม่ถึงมาสกัดกั้นทวงเวลาไว้เสียทุกคนมีความคิดอย่างฉันบ้างแม้หลอนเอ่ยขึ้นเลยลอยคิดอะไรพี่ชายสองคนถามมาพร้อมกัน กี่กับโครงช้างผีสิงแล้วก็ไอผีดิบมันตรัยในซากใหม่ของมันรวมทั้งอาถรรพ์เมตมวลกาลีของมันที่เราพบเมื่อคืนที่ผ่านมาจริงเหล่านี้คณะของระพินก็กําลังเผชิญหน้าอยู่เหมือนกันมันเล่นงานระพินเข้าก่อนแล้วพอเราตามมามันก็วกกลับมาดักเล่นงานเราทั้งหมดนี่งานกันไปชั่วขณะก็อาจเป็นได้พี่ชายใหญ่พูดคลึมๆแต่ประมวลเหตุการณ์แล้วทางด้านเรายังไม่สูญเสียอะไรเลยรับมือกับมันได้อยู่ ส่วนทางด้านรับพินนั้นหนักกว่าเราแน่แน่ตามรูปการที่เห็นเพราะมีการเจ็บและการตายกันขึ้นบ้างแล้วมันแปลว่าทางด้านเรายังโชคดีกว่าพวกเขาขนานั่นเองใช้ยันผู้อิมก่อนใครทุกคนและกำลังยืนใช้กล้องสองทางไกลกวาดส่องไปยังทะเลย า, า่าที่กว้างใหญ่ไพศาลอยู่เบื้องหน้าก็อุทานออกมาว่าเอ๊ พิกกลมีแรงลงที่กลางทุ่งลิบๆลบข้างหน้าอีกฝูงบอลเลอร์ทีเดียวเชษฐาอนุชาและดารินผู้ ก, กำลังนั่งอยู่พากันลุกขึ้นยืนทันทีจากการบอกของชัยยันอยู่ก่อนแล้วแม้จะไม่ต้องอาศัยใช้กล้องส่องทางไกลทุกคนที่เพ่งมองฝาปเปลวแดดออกไปอย่างทุ่งอันลิบเลิ่วนั้นก็พอจะสังเกตเห็นเงาของสัตว์ปีกบินล่อนอยู่ไปมาเหนือยอดหญ้าคาตาแหน่งหนึ่งห่างไกลออกไปราวสามรอยห้าสิบหลา อย่างถ น, นัดเป็นเส้นดำๆเต็มไปหมดก่อนจะถึงดงทึบที่เป็นฉากขวางกั้นไว้ซึ่งไกลออกไปอีกแลงแน่หรือชัยยานันหรือว่าฝูงนกอะไรเทพาถามแทนคำตอบชัยยันทรงกล้องที่ซองอยู่ให้ทันทีพี่ชายใหญ่ ย, ยกขึ้นปรับเปรีนให้เข้ากับตาตัวเองจะกำลังขยายขนาดแปดเท่าทำให้เขาคลางออกมาเอออีแรงจริงๆด้วยซีนั่นแสดงว่าจะต้องมีอะไรตายอยู่กลางทุ่งอีกแล้ว อนุชาใช้สายตาปล่าคำนวณทิศทางของท้องทุ่งนั้นกับป่าใหญ่ที่เห็นขุนเขาทะมึนสลับซับซ้อนอยู่เบื้องหลังความจริงผมกับนานอินเจตนาจะตัดป่ายาคาออกทางด้านตะวันตกนี่ประมาณ25องศาเพื่อไปถึงดงโน่นโดยเร็วและจะต้องไต่เรียบไปตามขอบไหลเขาโดยหนทางที่เห็นว่าลัดที่สุดจะได้ถึงชมรมของกเรียงตะเคียนทองเสยโดยเร็วแต่ตำแหน่งที่แล้งลงนั่นมันเบี่ยงออกไปทางด้านตะวันออก และถ้าเราไปทางนั้นเราก็เข้าโดงโน่นได้เหมือนกันแต่รู้สึกว่ามันจะอ้อมมากกว่าเพราะฉะนั้นจะเอาอยัางไงดีล่ะครับพี่ใหญ่ละความสนใจจากกลุ่มแร้งนั้นเสียโดยไปตามทิศทางที่ผมกําหนดไว้หรือว่าเราจะไปดูทางด้านแล้งลงก่อนขณะนี้เรากําลังพยายามค้นหาหลักฐานเก็บรายละเอียดของพวกนั้นให้ได้มากที่สุดนักกลางทุกหลักฐานที่จะพบมันหมายถึงว่าจะช่วยให้เราอ่านรูปการและทายอะไรได้ใกล้เคียงมากขึ้นพี่คิดว่าถึงแม้จะเสียเวลาหน่อย เราก็มุ่งไปที่ตำแหน่งเห็นแล้งลงมากผิดสังเกตอันหมายถึงมีซากตายนั่นใชก่อนดีกว่าเราต้องการรู้ว่าแล้งมันลงอะไรเกี่ยวกับข้องกับคนาลพินหรือไม่ตกลงครับทางนั้นตามผมมาได้เลยอ้อน้อยประโยคหลังอนุชาหันไปทางน้องสาวคนเล็กอย่างอ้นห่วงไม่ได้สั่งว่าหวังว่าคงรู้ตัวเองดีแล้วนะว่าป่ายญ้าคายญ้าขนหรือทุ่งแฝกมันทารุณขนาดไหนสําหรับผิวของคนที่ไม่เคยชินโดยเฉพาะในเวลาอากาศแห้งและแดดจ้าแบบนี้ เพราะฉะนั้นดูแลตัวเองให้ดีหวังว่าคงไม่ต้องแนะนําอะไรสบายมากไม่ต้องห่หวงราชสกุลสาวบอกพร้อมกับปลดแขนเสื้อเดินป่าที่พับไปแค่ข้อศอกลงมาจนถึงข้อมือและกรัดดุมทันทีป้องกันไม่ให้ความคมของใบหญ้าคาหรือวัชพืชอื่นๆที่ขึ้นปะปนอยู่เข้ามาสัมผัสแตะต้องหรือบาดผิวเนื้อได้เสื้อที่รูดซิปไว้เหนืออกเล็กน้อยบัดนี้ปิดสนิทขึ้นไปถึงคอถอดหมวกสกราร์ออกใช้ผ้าพันคอ ขอหุ้มใบหน้าไว้อีกชั้นนึงเหลือเฉพาะลูกในตาและจึงสวมหมวกทับลงไปชา ย, ยันมองเห็นการกระทําอันคล่องแคล่วเหมาะสมกับสถานการณ์ฉะนั้นก็อดหัวร้อและอดย่มอมาไม่ได้วะไม่เลวเหมือนกุรีหญิงเวลาขนดินขนทรายไม่มีผิดขอให้รู้ไว้ด้วยว่าในการออกเดตตามระพินในครั้งนี้ฉันมีความรู้สึกที่ยากแค้นแสนสาหัสยิ่งกว่ากุรีหญิงที่เธอว่าสักร้อยพันเท่าก็ไม่ปานแต่ฉันก็พร้อมแล้ว หลอนตอบเสียงเบาเรียบแต่เฉียบขาดในความหมายอนุชาโบกมือกับนานอินลำนาตัดทุ่งหญ้าขาไปก่อนโดยไม่รอใครเทศถาจึงโบกมือเป็นสัญญาณให้พวกลูกหาบเคลื่อนที่ทันทีการพักกินอาหารกลางวันเมื่อครู่นี้เพียงแค่ระยะเวลาอันสั้นนิดเดียวเท่านั้นทุกคนรู้ดีอยู่แล้วว่าการทําเวลาหรือเร่งเดินทางเป็นปัจจัยสําคัญที่สุดไม่มีใครเป็นตัวถ่วงหรือเป็นภาระอยู่เลยจัดว่าเป็นขบวนที่คล่องตัวและฉับไวขีดสุด ไม้ล้มลุกประเภทยาขาและโดยระยะเวลาที่ทอดห่างมาพอสมควรแล้วไม่เหลือทิ้งร่องรอยอะไรไว้ให้เห็นว่าขณะที่ล่วงหน้าไปก่อนแล้วผ่านไปทางไหนเพราะต่อให้แวกเป็นทางลู่ไปโดยจํานวนคนมากกว่าจริงเทราะว่าจะเวลาไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นความอ่อนตัวของมันก็ทําให้กลับคืนมาสู่สภาพเดิมไม่มีเหลือร่องรอยอะไรไว้ให้สังเกตเห็นได้เลยเป้าหมายจุดแรกในช่วงนี้ทุกคนจึงมุ่งตรงไปยังบริเวณที่เห็นแล้งลงก่อนอดีตพรานชดกับคู่ หูคู่ชีพในอดีตนำรุดไปเบื้องหน้าชนิดไม่ห่วงหลังครั้งแรกมันก็เป็นป่าหญ้าที่หนาทึบสูงท่วมศีรษะก่อนสังเกตเห็นพวกที่ล่วงไปเบื้องหน้าได้โดยยอดของหญ้าที่ไหวลู่เป็นทางพอให้สังเกตได้และยึดเป็นเครื่องนำทางแล้วต่อมาช่วงไม่นานบริเวณของป่าหญ้าคะ่ะก็เริ่มจะโปร่งขึ้นกลายเป็นทุ่งหญ้าเตีย้ยเตีย้ยพอมองเห็นอะไรรอบด้านได้สะดวกขึ้น นอกจากฝูงแรงอีกฝูงใหญ่ที่ขณะนี้เริ่มได้ยินเสียงร้องก็แก๊กงแซ่สัมของมันไม่มีวี่แววของสัตว์อื่นใดเลยกลางทุ่งระอุนั้นแล้วหลังจากนั้นชั่วไม่นานพลมเริ่มพัดกลิ่นเน่ารุนแรงก็โชยมาอีกแต่ทุกคนเริ่มจะชินเสียแล้วมีจากความสงสัยเท่านั้นว่ามันเป็นซ่าของอะไรที่ถูกทิ้งอยู่กลางทุ่งนั้นบัดนี้ทั้งอนุชาและนานอินที่บุกร่วงหน้าเป็นเรือลำล่องไปก่อนเป็นเรือนำล่องไปก่อนก็บรรลุเข้าถึงเป้าหมายที่เห็น แหลงทั้งฝูงกาลังจับกลุ่มหนาเป็นกระจุกอยู่ยังซากอะไรชิ้นที่หนึ่งนอนอื่นอยู่กลางทุ่งมีอยู่สองตำแหน่งสองจุดแต่ละจุดห่างกันออกไปราวเจ็ดสิบหลาและทั้งสองก็แยกกันออกไปยังทั้งสองตำแหน่งขณะที่เชิดาดารินชัยยันยังตามมาในระยะห่างเห็นไม่ถนัดแล้ววิทยุจากอนุชาก็ดังรายงานขึ้นทันทีแลกตัวมหึมาเลยครับพี่ใหญ่ล้มอยู่สองตัวทุกคนไม่จําเป็นจะต้องเข้าใกล้ๆหรอกเหม็นเปล่าผมจะรายงานให้รู้เอง แลดเร้่มมีหลักฐานอะไรสันนิษฐานได้บ้างเจตหาชนักหยุดเดินยืนอยู่ตรงตำแหน่งโคก บ, บริเวณหนึ่งรอยทําให้ทุกคนหยุดลงด้วยต่างเห็นอนุชาและนหนานอินเดินลุยฝูงแร้งเข้าไปอนุชาชักปืนสั้นประจําตัวยิงขึ้นฟ้าหนึ่งนัดต่างทุ่งกว้างใหญ่ไพศาลเสียงมันไม่ดังเท่าใดนะแต่ทาให้ฝูงแรงเหล่านั้นแครกระจายหนีห่างออกไปจากซากไปบ้างทว่าก็ไปไม่ไกลมันบินบินบ้างวิ่งบินบ้างวิ่งบ้า ง, า ง, างอยู่ตามบริเวณใกล้เคียงนั้นอึดใจต่อมาน้องชายกลางจริงรายงานมาอีก ใช่แล้วครับและจริงๆนั่นแหละถูกยิงทิ้งไว้กลางทุ่งเองกระสุนเจาะเข้ากระโหลกแบบยิงสวนหน้าไม่มีรอยชำแหละหรือแตะต้องใดๆทั้งสิ้นนอกจากยิงทิ้งไว้เฉยๆเท่านั้นตัวที่ผมเห็นอยู่นี่โดนเข้านัดเดียวอยู่หมัดลักษณะหัวปักดินเลยส่วนอีกตัวหนึ่งที่ลุงอินไปดูอยู่นู้นบอกว่าโดนเข้าหลายนัดแทบรอบตัวเลยแต่ละตัวน้องๆช้างเข้าใจว่ายังไงในความคิดของแกพยานวิทยุถามเข้าไป ถ้าถายไม่ผิดไอ้ตัวที่เจอนักเดียวเขาแสกหน้าหัวทิ่มดินอยู่นี่ก็คงยอ่อชายในระพินนั่นแหละส่วนอีกตัวที่ถูกลุมยิงปลุกไปหมดคงจะถูกพวกนั้นช่วยกันระดมยิงหลายกระบอกสาเหตุก็คงเนื่องมาจากพวกนั้นเดินตัดทุ่งผ่านมาทางนี้และพบเข้ากับไอ้สองตัวนี้โดยหลีกเลี่ยงไม่ได้และถูกมันชาร์ตเอาระพินและจําเป็นต้องยิงถ้าเราเชื่อมาในทฤษฎีที่ว่าการยิงสวนหน้าในระยะกระชั้นชิดขณะสัตว์ชาร์ตและตําแหน่งที่ยิงเป็นจุดตายอย่างเฉียบขาดเป็นนิสัยประจําตัวของระพินอีกชนิดหนึ่งก็แปลว่า เราโล่งอกได้แล้วว่าเขาจะต้องไม่ได้เป็นศพลงไปนอนอยู่ในหลุมตามที่น้อยไปพบหลุมฝังศพเข้าเท่าๆกับที่ไม่ได้เป็นคนถูกถามนอนไปในแคร่ด้วยเราไม่งั้นจะมาสัดกับไอ้แลดสองตัวไอ้ไอ้แลดสองนอตรงนี้ได้ยังไงเสียงพรานชดบอกมาอย่างชัดเจนจากลําโพงวิทยุมือถือขนาดเล็กประสิทธิภาพสูงดารินตาเริ่มมีประกายขึ้นถามออกไปว่าตรวจดูให้แน่ๆสิครับพี่กลางตัวที่พบว่าถูกยิงนัดเดียว กลางศีรษะหรือแสกหน้านั่นน่ะรอยบาดแผลพอจะบอกขนาดกระสุนได้ไหมบอกยากซากมันกําลังขึ้นอืดถึดเต็มที่การเน่าของซากรอยถูกจิกกินของแห้งทําให้สังเกตรอยเข้าของกระสุนไม่ถนัดนักหรอกแต่รู้ว่าถูกเข้ากลางแสกหน้านัดเดียวบริเวณที่ตั้งสมองสําหรับตัวนี้ไม่น่าจะมีรอยกระสุนยังตำแหน่งอื่นๆ อ, อีกระยะห่างกันลิบลิบแต่พูดกันโดยวิทยุทุกคนเห็นอนะุชาเดินเวียนซากอะไรเชินนหนึ่งที่นอนอืดอยู่กลางทุ่งนั้นไป็นรอบ ขณะที่พูดวิทยุตอบมาจากนั้นก็ดูเหมือนจะพยายามตรวจดูล่องรอยรอบๆห่างจากซากใช้เท้าเขียตามพงหญ้านั่นเธอกำลังหาอะไรเชิดถาถามไปเผื่อจะพบปลอกกระสุนบ้างครับอย่าเสียเวลาหาปลอกกระสุนอยู่เลยมันไม่จำเป็นหรอกนอกจากแรดสองตัวมีหลักฐานอื่นๆที่พอจะมองเห็นได้ง่ายๆอีกบ้างไหมไม่พบอะไรอีกครับนอกจากปลักโครนห่างออกไปทางน้นน่าจะเป็นที่ลงนอนเกลือกปลักเล่นของมัน แล้วก็ได้ยินเสียงอนุชาตะโกนอะไรโวกเวทอยู่กับนานอินเชษฐาหันมาทางน้องสาวและตัวที่กลางรายงานว่าพิสูจน์ชัดแล้วว่าระพินเป็นคนยิงแน่ๆด้วยความจําเป็นอะไรบางอย่างเป็นต้นว่าพยายามเลี่ยงหลบแล้วแต่มันก็ยังปรีเข้าใส่เพราะฉะนั้นน้อยวางใจได้แล้วว่าเขาไม่ได้เป็นบุคคลที่ได้รับอันตรายหรือคอา์ร้ายตรงบริเวณที่ตั้งแคมป์ซึ่งเราผ่านมาแล้วนั่นแน่นอนพี่ใหญ่กับทุกคนอยู่ตรงนี้ก่อนนะคะให้น้อยเข้าไปดูเองบอกแค่นั้นและโดยไม่ยอมฟังคําทักท้วงใดๆทั้งสิ้น ลอนออกสาวเท้าพรวดพรวดออกไปยังปราดเปรียวตรงไปยังพี่ชายกลางทันทีเชษฐาและชัยยันกับพวกลูกหาคงยืนรออยู่ที่เดิมเพราะไม่พิสมัยที่จะเข้าไปดมกลิ่นเน่าเน่าอยู่ใกล้ๆอึดใจเดียวร่างปราเปรียวก็เข้าไปถึงตำแหน่งนั้นและเสียงวิทยุจากดารินก็ดังบอกลายภายหลังจากตรวจบริเวณจากอยู่ใกล้ชั่วครู่โล่งอกไปทีจากหลักฐานจากและถูกปืนตัวนี้ หลอนบอกมาอย่างยินดีรอยกระสุนเจาะแสกหน้าจริงๆค่ะไม่มีใครนอกจากกระพินคนเดียวเท่านั้นที่จะยิงในแบบนี้และยิงในขณะที่เขาเลี่ยงไม่ได้เพราะมันพุ่งเข้าใส่พี่กลางพบปลอกกระสุนขนาดจุดสี่ห้าแปดวินที่ตกอยู่ในพงหญ้าและหนึ่งปลอกทั้งนั้นก็แปลว่าปัญหาที่เรากำลังกังวลตลอดตั้งแต่พบเหตุการณ์ตรงบริเวณตั้งแคมป์ว่าจะเป็นเ้าหรือเปล่าที่บาดเจ็บหรือตายผ่านพ้นไปแล้วสีใช่ไหม ยันถามจนกระทั่งถึงตำแหน่งที่พบแล็บแล็ดล้มอยู่ในทุกอย่างเคลียออกไปแล้วอะละพินไม่ได้เป็นคนบาดเจ็บที่ถูกหามไปในแคร่หรือ ว, ว่าคนที่กลายเป็นศพลงไปนอนอยู่ในหลุมโล่งอกจริงๆเหตุการณ์ทำนายได้ต่อไปอีกว่าเราว่างพาคณะเดินตัดทุ่งเขาพบกับแล็ดคู่นี้อย่างกระทันหันตามปกติแล้วละพินจะไม่ฆ่าสัตว์อะไรที่ไม่ต้องการเป็นอาหารโดยไม่จาเป็นเลย นอกจากป้องกันตัวหรือป้องกันคนในความดูแลของเขาเท่านั้นเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าพวกเขาถูกไอ้รถถังประจําทุ่งนี้หมายเล่นงานเอาก่อนระยะยิงเป็นระยะประชิดตัวเผาขนมากปลอกกระสุนที่ค้นพบในพงหญ้าห่างจากทางด้านหัวของแรดแค่ไม่เกินหกเจ็ดวาเท่านั้นเชษฐาชัยยันพลอยถอนใจออกมาอย่างโลง่ง อ, อกไปด้วยบอกแล้วว่าให้เขาไปดูสักก่อนแล้วเราจะอ่านเหตุการณ์ได้ออกเองคราวนี้จะเอาอยัางไงต่อไปพรานชด อดีตท่านทูตฐานบกเชื้อพระวงศ์ถามไปยังมะกคุเทสนำทางคือน้องชายของเขาเองก็เห็นหันกลับมาพร้อมกับโบกมือไปทางด้านขวาของทุกคนที่กำลังยืนรอกันอยู่เป็นเข็มได้แล้วครับพี่ใหญ่ตัดไปทางด้านขวามือตรงเข้าไปในดงโน่นให้ขยินออกนำหน้าไปทางผมน้อยและลุงอินก็จะเข้าไปสมทบเราจะพบกันตรงชายดงใครไปถึงก่อนก็หยุดรออย่าเพิ่งล่วงเข้าไปทุมันมองเห็นกันได้อย่างถนัด ตลอดเวลาแล้วไม่มีอะไรบังตาผมเข้าใจวารพิน์คงนําคณะของเขาบายหน้าไปทางด้านนั้นเหมือนกันแต่ที่เฉลียงทางด้านนี้ก่อนเชื่อว่าคงจะพยายามอ้อมเพื่อจะลีกเจ้าแลดสองตัวนี้นั่นแหละทั้งสองฝ่ายที่อยู่กันคนละจุดขณะ น, นี้เลี่ยงจากทิศทางเดินออกไปทางขวามือของชายดงทึบทันทีโดยต่างเดินตัดทุ่งอันสลับไปโดยไม้ยืนต้นเล็กๆประเภทมากและมะขามป้อมนั้นไปในลักษณะคือไปเบื้องหน้าแต่จุดหมายบรรจบ นัดพบกันตรงบริเวณปากด่านขนาดใหญ่อานุชาดารินและนานอินไปถึงและหยุดรอคอยอยู่ก่อนแล้วประมาณสี่ห้านาทีฝ่ายที่ตามมาโดยการนำของขยินจึงเข้ามาถึงโดยไม่จาเป็นต้องเอ่ยบอกอะไรเลยอนุชาที่มาตรวจปากทางบริเวณนั้นอยู่ก่อนแล้ว<ป>ก็ชี้ให้ทุกคนดูต้นเคตต้นหนึ่งที่ยืนอยู่ฝากทางด่านมีรอยมีดฟันบากเอาไว้กับเาวัน เส้นขนาดข้อมืออันห้อยเป็นบ่วงย้อยต่ำขวางอยู่ด้านหน้าถูกคมมีดฟันขาดออกจากกันแม่นยำต่อ ก, การแกะอรอยมากกลางชั ย, ยันชมเอามาจัดใจจริงอนุชาบุยปากไปทั้งนานอินถ้าลำพังฉันก็อาจ ง, งุ้มงามงงๆอยู่บ้างเหมือนกันแต่คนแกะรอยละพินได้อย่างแม่นที่สุดก็คือลุงอินนั่นแล้วอนุชาก็หัวเราะหึห่ยหึยักไหลนิดนึง การแกะอรอยตามหลังกันไปเรื่อยๆนี่มันไม่ยากอะไรนักหรอกเพราะร่องรอยการเดินของพวกนั้นมันก็เห็นชัดโจงแจ้งอยู่เป็นระยะๆะะแล้วแต่ถ้ายังเดินตามไปเรื่อยๆเช่นนี้มันก็แค่ตามอยู่แค่นั้นความหวังที่จะทันมันน้อยเหลือเกินเล่นแต่จะใช้วิธีคำนวณหรือก้าวสกัดดักหน้าและอีตอนสกัดดักหน้านี่แหละมันคงไม่หวานคอแล้งนักหรอกถ้าคำนวณหรืออ่านใจผิดนิดเดียวจะแหกแนวไปคนละทิศละทางเลย ระหว่างที่เดินตัดเข้าดงกันเป็นหมู่ชยันถามว่าเราจะเริ่มออกก้าวสกัดหรือดับทิศทางของเขาเมื่อไหร่ก็ต้องหารือกันอีกทีแต่คงยังไม่ใช่ตอนนี้แน่เพราะระยะนี้เป็นระยะที่จะต้องตรวจตามรอยอ่านเหตุการณ์ไปก่อนการก้าวสกัดจะเริ่มต้นก็ต่อเมื่อเราตามเขาพ้นจากหมู่บ้านของชาวป่าชาวดอยที่เขาผ่านไปโดยล่วงเข้านรกดาไปแล้ว พี่ชายใหญ่ให้ความเห็นอย่างไตรตรองแล้วถามน้องชายกลางว่านี่แปลว่าเราจะมุง่งตะเขียนทองเลยใช่ไหมครับนานอินคุ้นเคยกับโบเมียนายบ้านที่นั่นดีเราจะไปสืบข่าวพวกเขาจากที่นั่นด้วยเชื่อว่าคงจะได้อะไรคืบหน้ามากชายยันยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูเส้นทางจากนี่ถึงตะเคียนทองเป็นยังไงบ้างก็จะตัดเข้าดงลึกแล้วก็ไต่สูงขึ้นไปเป็นลําดับ เส้นทางไม่ลำบากอะไรนะแต่ก็ต้องระวังตัวกันทุกฝีก้าวจากไอ้ช้างร้ายผีสิงนั่นเพราะมันอาจดักเล่นงานตอนไหนก็ได้เราจะตรวจเส้นทางเดินเขาไปทุกระยะอีกเหมือนกันในช่วงนี้ลุงอินชำนาญเส้นทางดีอยู่แล้วอนุชาตอบขณะที่นำคณะก้มก้มเงยเงยมุดลอดซุ้มเถาวัลเข้าไปแน่ใจไหมคะว่าเราจะถึงตะเคียนทองก่อนข้ามวันนี้เพราะนี่กับบ่ายสองโมงเข้ามาแล้ว ดารินถามเพราะอรอนและคณะทุกคนยกเว้นพี่ชายกลางกับนานอินและขยินแล้วในการเดินทางครั้งก่อนระพินไม่ได้นําผ่านเส้นทางด้านนี้มาก่อนเนื่องจากตัดไปทางหล่มช้างถ้าไม่มีอุปสรรคเหตุสุดวิสัยอะไรก็ควรจะถึงก่อนค่ำเพราะพอพทิวเขาลูกนี้ไปแล้วก็ถึงลุงอินผ่านหมู่บ้านตะเคียนทองครั้งหลังสุดนานสักเท่าไหรแล้เท็ดทาตเอ๋อยถามขึ้นบ้างโดยส่งคําถามไปยังพรานครูผู้เท่าซึ่งเดินใกล้ๆอยู่ทางด้านหลังจะตอบต่ําๆว่า ก็นานโข อ, อยู่เหมือนกันน า, นายใหญ่คงจะเกือบครึ่งปีมาแล้วละมั้งเราจะไปหยุดพักข่ําวันนี้ทันที่ตะเคียนทองใช่ไหมเราจะพักและสอบถามพวกตะเคียนทองที่นั่นลุ่งเช้าค่อยสาวรอยต่อเพราะดูตามรูปการคนะของเราพินก็คงจะไปพักแรมคืนที่ตะเคียนทองในวันที่เขาออกเดินทางในเช้าวันนั้นเหมือนกันถ้าพบพวกตะเคียนทองเมื่ อ, อไหรเราก็คงรู้กันแล้วว่าอะไรมันเป็นอะไรจากข้อสงสัยและพยายามจะ เดาวความของเราด้วยหลักฐานที่เห็นพรานชดหรืออนุชาบอกจุดที่เราประทะกับโขงช้างผีสิงที่โป่งน้ำร้อนเมื่อคืนนี้ก็ดีหรือจุดที่เราพินกับคณะยิงช้างไว้กลาดาษเก่อนตรงดงไผ่ที่ผ่านมาหยกๆยกนี่ก็ดีวัดระยะทางแล้วมันก็ใกล้ๆกับตะเคียนทองแค่นี้เองที่กลางคิดบ้างไหมว่าพวตะเคียนทองจะไม่ถูกไอช้างอุบานโขงนี้เข้าราวีเมือนอย่างที่เรากับระพินพบกันมาแล้ว ดารินเปรยขึ้นด้วยอาการสังหอนใจอย่างไรพี่กลอล ม, มันก็น่าคิดเหมือนกันนะแต่ถึงยังไงเราก็กําลังบายหน้าไปที่นั่นอยู่แล้วถึงเมื่อไหร่ก็รู้เองแหละอนุชาวราฤทธิ์เริ่มจะมีอาการฉุกใจคิดขึ้นมาบ้างเหมือนกันจากคาพูดของน้องสาวสภาพป่าเริ่มทึบขึ้นทุกทีเส้นทางเดินที่อาศัยไปาตามด่านสักด์พบแน่ชัดอีกครั้งว่าเป็นเส้นทางเดียวกับที่คณะของระพินล่วงหน้าไปก่อน ประมาณเพียงยี่สิบนาทีเท่านั้นหยินผู้ชำนาญทางในช่วงนี้ไม่น้อยไปกว่านานอินซึ่งมีหน้าที่นำอยู่เบื้องหน้าก็หยุดรออยู่ตรงโคนไม้ใหญ่ริมลำห้วยลึกแต่เป็นห้วยแห้งตอนหนึ่งพอฝ่ายเจ้านายทุกคนไปถึงเจ้านักเลงโตหล่มช้งก็รายงานทันทีมีรอยแยกทางออกเป็นสองพวกตรงนี้นายมันบอกพร้อมทั้งที่ให้ดูตามพื้นทางด่านซึ่งแยกขวาเป็นแนวทางเดินเส้นใหญ่เลี้ยวลัดไปตามพุ่มพงและต้นไม้ค่ะ ขนาดหลายคนโอบส่วนอีกทางหนึ่งค่อนข้างโรคหน่อยมีรอยฟันกิ่งไม้ตัดเข้าไปพวกแบกหามคงจะเดินไปตามเส้นทางด่านแต่นายรพินกับพวกคนขาวตัดไปทางลำห้วยนี่นานอินกับอนุชาเขาไปสำรวจทันทีแล้วก็เดินก็เห็นจริงอย่างที่เจ้าข ย, ยินบอกใช่พวกนั้นแบ่งฝ่ายแยกกันจริงๆนั่นแหละหม่อมราชวงศ์อนุชาเอ่ยออกมาเบาๆภายหลังจากบุกพงเข้าไปช่วงหนึ่งแล้วถอยกลับออกมา มันแปลว่าอย่างไงทําไมถึงต้องแยกพวกกันด้วยอดีตพรานชดเอาหลังมือขยี้คางหวาดตามองไปรอบๆอีกครั้งผมยังนึกไม่ออกเหมือนกันครับพี่ใหญ่เราต้องช่วยกันคิดหน่อยว่าทําไมเขาถึงต้องเดินแยกกับพวกลูกหาบด้วยไม่ได้แยกไปตามลําพังคนเดียวแต่เอานายจ้างอเมริกันพวกนั้นไปกันด้วยมีรอยหรือสัญญาณอันตรายอะไรเกิดขึ้นในละแวกนี้บ้างไหมคนสิเยฐาสั่งการโดยเร็วไม่มีครับลักษณะที่เห็นอยู่นี่ก็คือ ครั้งแรกก็เดินเข้าขบวนกันมาเป็นปกติแล้วต่อมาราพินก็ชวนฝรั่งพวกนั้นแยกทางโดยปล่อยให้พวกลูกหาบที่แบกของหนักเดินกันไปตามทางดานที่เห็นได้สะดวกสบายกว่าแต่เขาพาพวกนั้นบุกพงตัดห้วยปีนเนินไปถ้างั้นเราก็ต้องอ่านนิสยัยอ่านจิตใจและความรู้สึกของรพินเป็นหลักพยายามให้ความเห็นจะเป็นไปได้ไหมในกรณีที่ว่าตัวเขาเองและนายจ้างอเมริกันพวกนั้นเดินกันตัวเปล่า ไม่ได้แบกหามอะไรก็เลยชวนให้เดินตัดทางนึกหาทางลัดแยกไปเสียทางหนึ่งโดยปล่อยให้พวกลูกหาบที่หาบของและแคร่คนเจ็บที่แบกกันมาด้วยเดินไปตามทางด่านที่สะดวกสบายกว่าและก็ต้องมีจุดดักหรือจุดนัดพบ ก, กันตรงไหนสักแห่งหนึ่งในหนทางข้างหน้าโดยทางฝ่ายพวกลูกหาบนั้นเขาก็อาจให้พรานมือดีของเขาทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งมีหน้าที่คุมไปก็อาจเป็นไปได้นะในกรณีที่รพินชวนอเมริกันพวกนั้นแยกลัดทางไป เนื่องจากทุกคนไม่มีภาระแบกหามอะไรคล่องตัวกว่าพวกลูกหาเจฐาอ่านเหตุการณ์ตามหลักฐานที่เห็นถ้างั้นเอาไงดีคะสําหรับพวกเราดารินถามโดยเร็วพี่ว่าเราแกะรอยเข้าไปทางด้านแบบเดียวกับที่เขาเดินมาแล้วนั่นเลยดีกว่าจะทิ้งดรือมองข้ามไปเสียไม่ได้กลางถึงให้ขยินกับนานอินคุณพวกลูกหาเปล่านี้เดินไปตามเส้นทางด่านพับรอยของพวกลูกหาฝ่ายละพินไปได้ไหมส่วนเธอนําพี่ชา ย, ยันญ่และน้อยแกะรอย ไปทางด้านระพินที่แยกไปยังที่เห็นหลักฐานนี่ขณะที่แยกกันไปเอาวิทยุให้ลุงอินไว้เครื่องหนึ่งมีอะไรติดต่อเรียกถึงกันได้เอางั้นหรือครับน้อยก็ว่าเป็นวิธีที่ถูกหลักที่สุดลุงอินกับขยินแกะรอยไปตามเส้นทางของพวกลูกหากส่วนพวกเราแกะรอยไปทางระพินจะได้เห็นได้รู้ทั้งสองด้านว่าพวกเขาพบเห็นเผชิญอะไรได้มีจุดบรรจบกับลูกหาบที่ไหนว่าแต่พี่กลางพอนำเฉพาะด้านนี้ได้ไหมได้เอางั้นก็ดีเหมือนกัน พี่ชายกลางตอบง่ายๆตามความเห็นส่วนใหญ่ที่ลงมติเป็นเอกฉันเจตหาจึงดีดนิ้วเรียกให้นานอินกับขยินเข้ามาอธิบายให้เข้าใจทันทีว่าต้องการอย่างไรพรานครูกับเจ้านักเลงโตหล่มช้างรู้เรื่องในคำสั่งนั้นอย่างง่ายๆตอนลูกหาให้เดินไปตามเส้นทางอันเห็นอยู่อย่างสะดวกนั้นทันทีตัวก เ, เองปิดลังท้ายก่อนจะพาออกเดินตามพวกนั้นไปแกก็ร้องบอกไปทางพรานชดนายเก่าวของแกว่านายละพินพาพวกนั้นตัดทางลัด แล้วก็คงจะตรวจหาร่องรอยอะไรของแกบางอย่างหนทางที่จะพบกับพวกที่เดินไปล่วงหน้าจะต้องอยู่ไม่ไกลนักหรอกนายแกะรอยไปให้ดีก็แล้วกันหลักฐานน่าจะมีทางด้านที่นายตะพินพาฟันลังไปมากกว่าทางด้านที่แกปล่อยลูกหาไปกล่าวจบแกก็โบกมือไปทางให้เดินตามหลังพวกนั้นไปทันทีชัยยันเอ่ยขึ้นว่านายเบ่าวสองคนนี้ดูจะรู้เส้นกันดีอยู่แล้วอ่านอะไรในป่าก็อ่านได้ในหลักเกณฑ์เดียวกันนั่นแหละ ปล้กลางทําเวลากันหน่อยเดินสะดวกกันดีๆไม่ชอบต้องมุดพงลงห้วยใต่หินปีนเนินกันอีกแล้วทุกคนฝ่ายนี้เริ่มเคลื่อนไหวทันทีดารินกระซิบกับเพื่อนชายว่าอย่าบนหน้าชายยันกลัวจะเดินด้านนี้ลําบากก็อนุญาตให้ไปเดินกับพวกลูกหาบนนูนได้ตามหลังลงอินไปซิชายยันไม่ตอบอะไรความจริงเขาไม่ใช่คนอ่อนแอหรืรยอย่อท้ออะไรง่ายๆแต่มีปากก็พูดเลยเปื่อยไปอย่างนั้นเองจากร่องรอยของรพิน ที่เชื่อแน่ว่านำฝ่ายนายจ้างอเมริกันตัดเข้าไปในพงด้วยความหมายว่าคงจะหาทางลัดเพื่อจะบรรจบกับพวกลูกหาบซึ่งเดินในเส้นทางที่สะดวกกว่าและมิฉะนั้นเลึกลงไปกว่านั้นจอมพรานอาจได้ล่องรอยอะไรเป็นพิเศษสะดุดใจและนำพวกนายจ้างปรีกตัวแยกจากคณะลูกหาบส่วนใหญ่เพื่อจะตรวจหากระชันชิดเข้าไปยังใดอย่างหนึ่งเป็นสิ่งที่ทั้งสามคนพี่น้องและเพื่อนชาย กำลังพิยามไคร่ครวนตรีตรองอยู่ในระหว่างที่สาวไปตามล่องรอยที่พอจะสังเกตเห็นได้นั้นกิ่งไม้เล็กๆถูกหักยอดให้งอพับเป็นระยะระยะอนุชาเต็มไปได้วยความมั่นใจว่าเขาตามไม่ผิดแน่ยิ่งกว่านั้นในลําห้วยลึกแต่ปราศจากน้ํามีแต่ลอยน้ําฝนที่ตกไหลผ่านไปก่อนแล้วขณะที่เหลือจะลอยแฉะที่ก้นห้วยก็ยังปรากฏรอยรองเท้าของบุคคลเหล่านั้นชัดเจนแทบจะนับจํานวนคนได้ทีเดียว ลักษณะพื้นรองเท้าของพวกอเมริกันหรืออาจมีเชิดวุฒอยู่ด้วยเป็นลักษณะที่เหมือนกันหมดเพียงแต่ผิดขนาดไปบ้างเท่านั้นตามขนาดเท้าของแต่ละบุคคลจะลอยพื้นรองเท้าที่แยกลักษณะออกไปต่างหากไม่เหมือนกับอีกหคู่น่าจะเป็นของระพินแน่สันนิษฐานจากข้อที่ว่าเขาคงจะไม่ได้รับแจกหรือาเตรียมมาให้โดยตรงเนื่องจากตนเองนั้นย่อมมีใช้ของตนเดิมอยู่ก่อนแล้วส่วนเปลือกของหมากฝรั่งก็ดี ก้นบุหรี่ที่พบกันเป็นระยะก็ดีพิสูจน์ยากว่าเป็นของใครเพราะมันเป็นสิ่งที่จะเอื้อเฟื้อหยิบยื่นส่งให้แก่กันได้ฉันมิตรระหว่างเดินทางไปด้วยกันพวกไอ้กันนี่มันสันดาลอยู่อย่างหนึ่งนะไผยันเอ่ยพร้อมกับพัวร้อเบาๆก้มลงหยิบเปลือกหมากฝรั่งชิ้นหนึ่งจมดินปริ่มปริมขึ้นมาดูแล้วโยนทิงท้งทิ้งรอยหมากฝรั่งให้เห็นอยู่ได้เสมอชุดนี้ที่มาด้วยกันไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงเป็นชุดเดนตายผ่านสงคราม เรื่องงานที่จะต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันมาอย่างโชคโชนแล้วแน่ๆ่เชิฐาให้ความเห็นพวกเขาไม่ได้เคี้ยวหมาฝรั่งเพื่อรสชาติอะไรหรอกแต่เป็นการผ่อนคลายลดความตึงเครียดเสียมากกว่าฉันคิดว่าอาจเป็นของผู้หญิงสองคนนั่นมากกว่าพวกผู้ชายมีร่องรอยของการเลาะไปตามลําห้วยนั้นขึ้นด้านเหนือระยะหนึ่งก็ปรากฏหลักฐานได้ชัดว่าปีนไต่แง่หินและลากไม้ขึ้นยังฝั่งตรงข้ามรอยดินร่วงถลม่มเพราะน้ําหนักตัว รอยถึงโหน ล, ลากไม้เล็กๆที่โผล่งอกอยู่ตามฝัง่งถ้วยเพื่อจะโหนกายขึ้นไปมองเห็นได้ชัดอนุชากับดารินตรวจติดตามรอยไปเคียงคู่กันน้องสาวสแสวงหาหลักฐานในการแกะรอยได้ไม่น้อยไปกว่าพี่ชายซึ่งเคยเปรียบเสมือนพรานอาชีพมาแล้วอนุชาพบอย่างหนึ่งหล่อนก็ต้องพบอีกอย่างหนึ่งในแนวทางเดียวกันเสมอส่วนชัยยันและเชษฐาเป็นคู่ที่ตามติดมาทางเบื้องหลังช่วยกันใช้การวิเคราะห์สรุป โดยปล่อยหน้าที่สแสวงหาหลักฐานให้แก่อนุชาและดารินไตขึ้นจากลำห้วยก็ซอกซอนไปตามป่าหินและพงไม้ทึบอีกครั้งปราศจากทางด่านบางตอนก่อนจะเข้าไปได้ก็ต้องมีการตัดฟันกิ่งเถาวันเข้าไปหลักฐานมันชี้ชัดว่าหนทางที่เรพินนำซอกซอนมานี้ฝ่ายอเมริกันทั้งสีติดตามมาด้วยครบสี่คน รวมทั้งนายทหารไทยด้วยอีกคนหนึ่งคือพันตรีเชิดบุตแล้วชั่วไม่นานดาวริ้นก็พบกับก้นบุหรี่ใบตองแห้งข้ากล้นหนึ่งที่ริมทางดีสันมันกรืนกับใบไม้ที่ลนอยู่ทั่วไปหลอนหยิบขึ้นมาดูและอ่านรหัสทันทีเข้าใจกันว่าราพินพาอเมริกันและนายทหารไทยผู้นั้นแยกทางมาตามลําพังแต่นี่ก็ปรากฏอีกแล้วค่ะน้อยกล้าถ้ายว่านอกจากเขาแล้วบุญคาตามมาด้านนี้อีกคนหนึ่งเชิดฐานรับไปดูและพยักหน้า เธอละเอียดกว่าในกลางจะอีกน้อยพี่คิดว่าใช่เพราะจําลักษณะบุหรี่พื้นเมืองแบบนี้ของตาบุญคําได้ทางนั้นก็แปลว่าบุญคํามาทางด้านนี้ด้วยส่วนจันทร์เกิดและเสยคงจะรับหน้าที่คุณพวกลูกหากไปไม่นานนักของการติดตามรอยที่บุกไปตามพงรกทุกคนที่สะกดรอยมาก็พบกับรองรอยเท้าช้างเก่าๆย่ํ า, าสับสนไปหมดแต่ไม่มีรอยประทะหรือรอยยิงอาจเป็นเวลาใกล้เคียงกันกันกบพวกนั้นผ่านมาแต่ก็ยังไม่ประจันหน้าเพราะ ดงแถบนั้นไม่มีรอยไม้หักหรือวีแววของการวิ่งเตลิดของช้างเลยไม่มีแม้แต่ปลอกกระสุนที่น่าจะตกให้พบบ้างสมมติว่ามีการยิงเกิดขึ้นหนทางมันค่อนข้างลําบากก็จริงแต่เพียงแค่ไม่เกินครึ่งชั่วโมงเท่านั้นพอไต่ขึ้นลำห้วยอีกรูกนึงก็ร่วงเข้าสู่ป่าหินณตำแหน่งนั้นทั้งหมดพบก้นบุหรี่จานวน4ีห้า ก, ก้นเกลื่อนอยู่ยังบริเวณโคนไม้ใหญ่อันมีลักษณะของภูรากและแท่นหินพออาศัยเป็นที่นั่งพักได้อย่างสบายและไปรอบๆ ดานก็พบเส้นทางดานที่ตัดคดเคียวอ้อมเลาะมาตามป่าหินซึ่งจะเฉียดมายังแนวทางนี้หม่อมราชวงศ์อนุชาผู้นำมาโดยตลอดหยุดเดินทันทีปรดวิทยุขึ้นมาเรียกนานอินเสียงครูพรานตอบรับนะแววใกล้ชัดเจนเหลือเกินตอนนี้เดินถึงไหนแล้วลุงก็เดินมาตามทางเดินมาเรื่อยๆนี่แหละนายชดมองเห็นป่าหินข้างหน้าและพวกนายแล่อยู่ไหน ฉันคิดว่าฉันมาถึงที่จุดพรานใหญ่เขาหยุดนั่งคอยพวกลูกหาบแล้วนะให้สังเกตปลาหินชัดแนวลํำห้วยเข้าไปจะมีต้นไทรใหญ่และนกเป้าเกาะอยู่เต็มในขณะนี้เห็นแล้วนายนานอินกับพวกนี้จะเข้าไปถึงเร็วๆนี่แหละรออยู่ก่อนอนุชาถอนใจยาวหันมาทางพี่น้องและเพื่อนพยักหน้าให้ดูตรงบริเวณที่ยืนอยู่นั้นชัดเลยครับตรงนี้แหละทีราพินนําพวกนั้นมาสกัดหน้าดัรากรอพวกลูกหาบอยู่เหมือนๆกับที่เรากําลังรอฝ่ายนันอินอยู่ในขณะนี้ นี่คือจุดที่พบกับขบวนลูกหาปเป็นครั้งแรกภายหลังจากแยกกันตรงนั้นดารินเชษฐาและชา ย, ยันตัว ด, ดูตามพื้นรอบๆและพี่ชายใหญ่ของคณะก็บอกว่าใช่แล้วเราพินมหยุดดักหน้าตรงนี้เองและคงจะมีเวลานั่งพักกันอยู่นานพอสมควรก่อนฝ่ายลูกหาบจะมาถึงสังเกตดูจากก้นบุหรี่ที่เกลื่อนไปหมดนี่ให้ตายเหอะกลางนายกับน้อยเป็นนักสะกดรอยชั้นเยี่ยมสุดทีเดียวเราตามหลังเข้ามาชนิดแทบจะรู้ทุกฝีก้าวว่าเขามีการเคลื่อนไหวไปทางไหน ทำอะไรกันบ้างเรียกว่าเก็บรายละเอียดได้มากที่สุดเกือบจะเรียกได้ว่าหลับตาเห็นทีเดียวและจากหลักฐานเหล่านี้ทําให้แน่ใจเหลือเกินว่าเราตามเข้าทันแน่ไม่จุดใดก็จุดหนึ่งชยันอุทาออกมาอย่างยินดีพรานชดยิ้มเลียนเลียนมันก็ยังไม่แน่นักกรอกหลักฐานที่เราพบเหล่านี้ถึงอย่างไรมันก็เป็นหลักฐานของเหตุการณ์ที่ล่วงมาแล้วตั้งอาทิตย์กว่าอยู่ตามเดิมนั่นแหละไม่ใช่หลักฐานสดๆดร้อนรอนฉันแน่ใจว่าฉันจะเก็บรายละเอียดอย่างที่เห็นอยู่นี้ไปได้ตลอด จนกระทั่งถึงห้วยเสือร้องแต่หลังจากนั้นไปแล้วหมายถึงในนรกดำยังไม่กล้ารับรองนะถ้าจะหลงเส้นทางกันก็คงหลงเมื่อล่วงเข้าป่าเมื่อล่วงเข้าป่าเด็กดำบันพ้นจากห้วยเสือร้องไปแล้วพี่กลางนันอินหรือน้อยอาจหลงรอยของพวกเขาได้แต่เจ้าด้วนจะไม่มีวันหลงหรอกดารินเอ่ยขึ้นลอยลอยพี่ชายกลางหันมองหน้าขณะนั้นดารินนั่งอยู่บนแท่นหินเตี้ยๆก้อนหนึ่งกำลังเอาไม้เล็กๆ เกี่ยคุยตามกองใบไม้แห้งอย่างปราศจากความหมายหรือเจตนาเจาะจงที่จะค้นหาอะไรนะแล้วเธอคิดว่าไอ้ช้างเบนของเธอตัวนั้นมันจะมาช่วยนำทางให้แก่เราหรือมันจะติดตามพวกเราไปได้ไกลสักแค่ไหนน้อยมีสังหรณ์อยู่กับตัวค่ะเราถึงไหนเจ้าด้วนก็ต้องถึงนั่นเราหลงเส้นทางของรพินเมื่อไรเจ้าด้วนก็จะต้องออกนาให้เราเมื่อน้นไม่มีวันที่มันจะพระแยกจากเราไปหรอกอนุชาหัวลอกหึห ยังไม่สนใจเชื่อถือศรัทธาอะไรนะแต่ก็ไม่พูดอะไรให้น้องสาวเสียกำลังใจเสียงดารินเอ่ยมาเหมือนรำพึงอีกว่าเจ็ดแปดวันเฮึแค่เจ็ดแปดวันเท่านั้นที่เขาล่วงหน้าไปก่อนเรามองเห็นรอยกันอยู่ชัดๆชนิดเดินทับเส้นทางมาทุกระยะทีเดียวเจ้าป่าเจ้าเขาช่วยด้วยเถิดลูกจะบนด้วยหัวหมูสักร้อยหัวเลยถ้าพบไม่ว่าตัวเขาหรือกระดูกของเขาแลวอยูไม่อยู่ดารินก็รุ ขึ้นยืนป้องปากตะโกนเรียกไปดังลั่นพระพินเสียงของหล่อนสะท้อนกังวานกล้องไปไกลพี่ชายสองเพื่อนชายอีกหนึ่งชะ ง, งักหันไปมองดูเป็นต้าเดียวอย่างตกใจก็เห็นล่าสกุลสาวเป็นน้องเล็กยืนนิ่งตาเหมอลอยอย่างปลาส จ, จากจุดหมายไปยังพงไพรทึบทะมึนเบื้องหน้าเหมือนตกอยู่ในห่วงผวังพี่ชายใหญ่เดินเข้ามาใกล้โอบแขนประคองกอดไหลไว้กระซิบน้อยเธอเหนื่อยมากลงนั่งพักซักก่อนเถอะ ดารินวาราริศ ย, ยกมือขึ้นปิดหน้าร้องไห้กระสิกระซิบกายสั่นเทาไปหมดอนุชากับชัยันก็ตกใจโดดเข้ามาเสียงเชษฐาบอกต่ำๆว่าเร็วช่วยกันหน่อยรู้สึกตัวเย็นเฉียบเลยน้อยคงจะเหนื่อยมากและไม่สบายไปเสียแล้วใบหน้าของหลอนวันิซีดขาวมีอาการเหมือนจะเป็นลมหมดสติไปชั่วขณะทั้งสามช่วยกันประคองน้องสาวเล็กให้ลงนอนกับพื้นโดยชยันกระชากผ้าพลาสติกผืนเล็ก ประจำตัวปูลงกับพื้นรองให้เจษฐาเอามือจับตามใบหน้าและลำคอพร้อมทั้งปลดสัมภาระเครื่องหลังและเข็มขัดปืนที่ลับอยู่ให้ขยายหลวมออกส่วนอนุชาวิทยุเรียกนานอินทันทีลุงอินเล่งเดินทางหน่อยเอาหีบยาเครื่องมือหมอให้ขยินแล่นมาให้เร็วก่อนน้าหญิงไม่สบายเป็นลมไปเสียแล้ว